มีหลักการโดยสังเขปดังต่อไปนี้วิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ข้อที่หนึ่งจะต้องสอบประวัติอย่างละเอียดของผู้ที่จะฝึกสมาธิเพราะการสอนที่จะได้ผลอย่างแท้จริงนั้นผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงส่วนต่างๆของจิตใจอย่างละเอียดทีท่วน จะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความบวกร่องในด้านจิตใจเช่นสมมุติว่าเราจะแก้นิสัยโกโหกของเด็กบางคนก่อนอื่นก็จะต้องสอบประวัติกันอย่างละเอียดและการสอบประวัติในด้านจิตใจนั้นถ้าหากผู้รับการอบรมไม่ยอมให้ความร่วมมือเราก็ต้องมีวิธีการอย่างอื่นที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสืบหาสมุดฐานว่า ทำไมคนคนนี้จึงมีนิสัยโกหกเฉพาะงานในด้านการสืบประวัติซึ่งถ้าทำกันอย่างถูกต้องจริงๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นงานใหญ่ไม่ใช่เล็กน้อยต้องอาศัยผู้ร่วมงานและเครื่องมือต่างๆไม่น้อยเลยข้อที่สองเราจะต้องตรวจพื้นฐานความดีที่มีอยู่ในสันดานของเขา ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องทราบอย่างละเอียดด้วยเพราะการที่เราจะแก้นิสัยที่ไม่ดีนั้นจะทำได้เป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีรากฐานทางความดีบางอย่างที่จะช่วยให้เขาแก้นิสัยนั้นได้เช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีนิสัยรักขโมยแต่ก็เป็นคนรักพ่อแม่กระตันยูต่อพ่อแม่และต่อผู้มีพระคุณทุกคน ซึ่งถ้าหากความกะตันอยู่นี้สูงมากการที่จะแก้นิสัยรักขโมยก็จะทำได้โดยไม่ยากหรือคนที่มีนิสัยหึงหวงถ้าเป็นคนที่มีนิสัยรักความยุติธรรมการแก้นิสัยหึงหวงก็จะทำได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นจากวิธีการที่ว่านี้หลังจากตรวจสอบแล้วก็สามารถจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ จะสามารถกลับนิสัยได้หรือไม่จะกลับได้กี่เปอร์เซนต์เพียงแต่สองข้อดังที่กล่าวมาเราก็จะเห็นแล้วว่าวิธีการสอนด้วยการเทศบุญธรรมาทหรือด้วยการปฏิทกรถาหรือด้วยวิธีไหนก็ตามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าห่างไกลกับวิธีการดังที่กล่าวมานี้อย่างมากมาย ข้อที่สามถึงแม้เราจะรู้ประวัติอย่างละเอียดดูทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีในตัวเขาเพียงแค่นี้การสอนแม้จะสามารถทำได้ถูกจุดไม่ทำให้คนที่รักการสอนเบื่อแต่ก็ยังได้ผลไม่เท่าไหร่ต่อเมื่อสามารถพูดจูงให้จิตเขาสงบสงบมากเท่าไใดยิ่งดีเมื่อจิตเขาสงบแล้วสอนในขณะนี้ จะได้ผลมากกว่าด้วยวิธีการสอนแบบธรรมดามากมายเพราะมีหลักตายตัวอยู่ว่าถ้าจิตของผู้ใดเป็นสมาธิจิตของผู้นั้นก็จะอ่อนโยนเชื่อฟังเหตุผลได้ง่ายกลับใจได้ง่ายแต่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วการสอนจะได้ผลน้อยที่สุดเพราะเราไม่สามารถที่จะตะล่อมความคิดของเขาให้เข้าไปสู่จุดที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นการสอนด้วยวิธีทําให้ใจสงบเสียก่อนจึงได้ผลมากกว่าข้อที่สการฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงและเป็นการง่ายแก่ผู้ฝึกก็ต้องมีการจุงสมาธิด้วย mm. การจุงสมาธิหมายถึงการแนะนำให้รู้จักพิจารณาถึงปัญหาชีวิต และเพื่อช่วยเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความเชื่อความยึดถือและอะไรอีกหลายอย่างถ้าหากผู้รับการฝึกสามารถยอมรับความคิดต่างๆที่จะแนะนำให้ใหม่ mm. ก็เป็นนันว่าการฝึกนั้นได้ผลแน่นอน mm. การฝึกสมาธิแบบนี้สามารถฝึกพร้อมๆกันเป็นจำนวนสิบสิ บ, สบคนหรือร่อยรอ ย, รอยคนก็ได้ ปัญหายุ่งยากอยู่ที่ต้องพยายามปรับความรู้ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเส้ยก่อนหมายความว่าในขณะที่กำลังจุงสมาธิถ้าคนไหนสามารถติดตามได้ทุกคำพูดและเข้าใจทุกคำพูดไม่มีความรู้สึกขัดแย้งเกิดขึ้นในใจก็สามารถจะเข้าสมาธิได้ดีกล่าวคือคนสอนเข้าสมาธิได้แค่ไหนคนที่รับการสอน ก็จะสามารถเข้าได้แค่นั้นวิธีนี้เป็นเหมือนกับการจูงมือเข้าไปในถ้ำที่ลึกและมืดด้วยแต่ผู้นำทางเป็นคนฉลาดมีความชำนาญในการเข้าถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อผู้นำจูงไปถึงแค่ไหนคนที่ตามก็จะไปถึงที่นั่นด้วยในเมื่อสามารถที่จะติดตามผู้นำไปได้ทุกระยะทุกฝีก้าว การฝึกสมาธิแบบที่ให้ช่วยตัวเองหรือให้ภาวนาตามลำพังหรือให้เพ่งกรสินหรือจะโดยวิธีไหนก็ตามวิธีการเหล่านี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีพื้นสมาธิมาดีพอสมควรเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ไปได้ยากส่วนวิธีฝึกโดยใช้การจูงสมาธินี้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้ฝึกได้มาก แม้คนที่ฝึกยากถ้าหากได้ตรวจสอบประวัติตรวจสอบคุณธรรมและให้ศึกษามีพื้นความรู้มาเพียงพอแล้วทุกคนจะสามารถเข้าสมาธิได้โดยไม่ยากข้อที่หเพราะเหตุที่การฝึกสมาธิแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจุงสมาธิเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะรับการฝึกจำเป็นจะต้องเรียนธรรมะให้เข้าใจเป็นอย่างดีซะก่อนการเรียนธรรมะเพื่อการฝึกสมาธิจะต้องเรียนกันให้ละเอียดถีท่วนผู้เรียนจะต้องมีความจำดีเพราะถ้าหากจำหลักวิชาไม่แม่นหรือเข้าใจหลักวิชาไม่พอเวลาจูงสมาธิจะได้ผลน้อยเพราะเหตุนี้ในสถานฝึกสมาธิ จึงจำเป็นจะต้องมีห้องเรียนและแยกเป็นห้องๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนจากพื้นความรู้ของตัวเองอย่าลืมว่าการเรียนเพื่อการฝึกสมาธินั้นผู้เรียนจะต้องเข้าใจอย่างจาแจ้งทุกบททุกตอนและจะต้องจำแม่นด้วยฉนั้นเวลาเรียนจึงจำเป็นต้องแยกผู้เรียนออกเป็นห้องๆ ตามพื้นความรู้ของบุคคลแต่ละคนวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายไม่เบื่อในอันที่จะต้องเรียนซ้ำซากในสิ่งที่ตนเองรู้แล้วหรือไม่ก็ยากเกินไปฟังไม่รู้เรื่องข้อที่6กการฝึกสมาธิแบบนี้โดยปกติ จะต้องควบคู่กับการเรียนตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งการฝึกในระยะแรกต้องใช้วิธีการจูงด้วยนั้นความมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ที่เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วจำแจ้งยิ่งขึ้นจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นวิธีจูงสมาธิในระยะแรกนี้ก็คือนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมากล่าวทบทวนให้ได้ยินบ่อยๆเรียนมาแค่ไหน ก็นำเอาสิ่งที่เรียนมานั้นมาใช้เป็นบทจูงสมาธิวิธีนี้เป็นการช่วยประหยัดเวลาของผู้เรียนที่ไม่ต้องไปหัดท่องจำที่บ้านแปลว่าพอเรียนจบบทไหนก็จะมีการฝึกสมาธิโดยใช้หลักวิชาบทนั้นวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกเลื่อมใสและขยันเพราะจะเห็นผลของการเรียนทุกวันทำให้รู้สึกว่า ตนเองก้าวหน้าอยู่เสมอข้อที่7บางคนไม่อาจจะฝึกได้ด้วยวิธีดังกล่าวมาเพราะพื้นเดิมมีความฟุ้งซ่านมากหรือบางคนเป็นโรคประสาทหรือบางคนอาจจะมีโรคทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่อาจจะนั่งสมาธิได้ด้วยเหตุนี้จะต้องมีการฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่ง คือฝึกด้วยการทำงานโดยใช้งานที่ทำเป็นบทฝึกหัดเพื่อให้จิตมีสมาธิซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมายและหลักอันนี้จะสามารถช่วยคนได้เป็นอันมากแต่ก็ต้องทำการวิจัยกันก่อนว่าการทำงานแบบไหนและทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยให้เป็นสมาธิได้ดีและวิธีการเช่นนี้ ในเมื่อได้มีประสบการณ์มามากมีผลงานเห็นได้ชัดก็อาจจะให้คำแนะนำแก่คนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิมากขึ้นหมายเหตุ head, ผู้อ่านถ้าท่านใดมีเวลาลองฝึกทำเสียงอ่านหนังสือ คือเอาหนังสือมาอ่านเสียงจากนั้นก็มาตัดต่อคำผิดจัดแต่ละประโยคเว้นวรรคให้เหมาะสมเสร็จแล้วก็ฟังทวนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องวิธีนี้จะเป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบที่มีผลดีเสริมเข้ามาคือทำให้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้งด้วยนะครับใช้ได้กับหนังสือทุกประเภททั้งวิชาการทางโลกและหนังสือธรรมะพ่อแม่ที่อยากให้เด็กสนใจธรรมนั้นในความเป็นจริง ก็คงยากจะให้เขาอ่านด้วยตัวเองหรือให้มาฟังเสียงอ่านธรรมะด้วยตัวเองการจ้างให้เขาอ่านเสียงก็อาจจะเป็นกุศโลโบายให้เขาเสมทรพา์ธรรมะระดับลึกได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่8การกีฬาการดนตรีงานศิลปะทุกอย่างจะต้องนำมาวิจัย เพื่อให้รู้แน่นอนว่าการเล่นแบบไหนดนตรีชนิดไหนหรือมีศิละปะอะไรบ้างที่สามารถจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิ mm. มาเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าคนแต่ละคนนั้นมีความชอบแตกต่างกันทั้งการฟังเพลงแนวเพลง การเล่นกีฬาหรือศิลปะต่างๆคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั้นก็จะมีความสุขในการได้ทาและความสุขเป็นหลักสำคัญให้เกิดสมาธิซึ่งการศึกษาปัจจุบันนั้นบังคับให้เด็กเล่นกีฬาอย่างหลากหลายและมีการเก็บคะแนนจริงจังโดยไม่คํานึงถึงว่ากีฬานั้นเหมาะกับสภาพร่างกายของเด็กหรือไม่สาคัญที่สุดคือเด็กมีความสุขหรือไม่ ซึ่งในความจริงแล้วควรจะสอนให้เด็กรู้จักกีฬาแต่ละประเภทในเบื้องต้นเท่านั้นและให้เขาลองเล่นว่าชอบแบบไหนควรเป็นวิชาเลือกให้เด็กได้เลือกเรียนตามที่เขาสมัครใจและมีความสุขที่จะทำเท่านั้นนะครับวิธีการโดยสังเกตเพียง8ข้อเท่าที่ชี้แจงมาให้ทราบนี้ก็จะเห็นได้แล้วว่า การฝึกสมาธิแบบประยุกต์เป็นงานที่กว้างขวางมากซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะทางแห่งความพ้นทุกนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิและปัญญาคนที่มีความรู้มีเงินมีอำนาจแม้จะใหญ่โตสักเพียงไรถ้าหากยังถือศีลไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ ก็ไม่อาจที่จะมีปัญญาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและถ้าหากไม่มีปัญญาเข้าใจเรื่องตัวเองก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกข์ได้ทุกคนต้องการความพ้นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้การฝึกสมาธิจึงเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนและในเมื่อเรามีโครงการที่จะช่วยเหลือให้คนทุกชั้นทุกอาชีพ สามารถเข้าสมาธิได้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่งานนี้จะต้องเป็นงานที่ใหญ่โตและกว้างขวางแต่อย่างไรก็ดีในระยะแรกเริ่มนี้เราควรจะทำงานแบบสาธิตให้เห็นผลอย่างชัดเจนซะก่อนจึงค่อยขยายงานให้กว้างขวางเพราะจาเป็นจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถยังมากมายและยังจะต้องอาศัยทุนมากด้วย จึงจะสามารถทำงานนี้ได้เป็นผลสาเร็จข้าพเจ้าคิดว่าโครงการฝึกสมาธิดังที่ได้ถแถลงมาโดยสังเขนี้คงจะทาให้ท่านทั้งหลายเกิดความคิดช่วยกันหาทางให้งานประเภทนี้สาเร็จขึ้นมาข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาในด้านจิตใจทุกอย่างจะสามารถแก้ได้ด้วยวิธีฝึกสมาธิ เพราะปัญหาทางจิตใจทุกอย่างเช่นคนส่วนมากชอบโกหกชอบหลอกลวงชอบเอาเปรียบคนอื่นปัญหาต่างๆเหล่านี้แก้ไขได้รักษาได้ขอให้สังเกตว่าคนบางคนแม้จะเป็นคนมีการศึกษาดีเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีอำนาจมีอิทธิพลแต่จิตใจบางส่วนก็ยังสามอยู่อันนี้ก็คือความพิการทางจิต ซึ่งสามารถจะบำบัดได้โดยวิธีทางสมาธิอย่าลืมว่าจิตมีโครงสร้างเหมือนกับร่างกายและทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเรารู้จักเหตุของสิ่งใดอย่างท่องแท้เราก็สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนั้นได้เป็นผลสาเร็จเรารู้กันดีว่าศา ส, สนาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสัตว์โลก แต่วิธีการสอนศาสนาวิธีการเผยแพร่ ย, ยังล้าหลังอยู่มากขอให้เปรียบเทียบการแพทย์สมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์สมัยปัจจุบันจเจริญไปแค่ไหนผิดกับสมัยโบราณอย่างไรการแพทย์เป็นเพียงการบำบัดโรคทางกายเท่านั้นก็ยังก้าวหน้าไปมากมายศา ส, สนาเกิดก่อนจเจริญมาก่อนการแพทย์แต่วิธีการสอน วิธีการเผยแพร่ก็ยังคงเหมือนกับวิธีการรักษาโรคในสมัยโบราณขอให้นึกถึงตัวอย่างการสอนการเผยแพร่ศ า, า ส, สนาด้วยวิธีการเทศบนธรร ม, มาทหรือแม้จะเปลี่ยนให้ทันสมัยเช่นใช้วิธีปทาทกถาการอภิปรายหรือจะจัดอะไรขึ้นก็ตามก็ยังห่างไกลจากวิธีการที่ถูกต้องเพราะเหตุนี้ศา ส, สนาจึงไม่มีอิทธิพล พิจาร้มน้าบุคคลส่วนใหญ่ให้อยู่ในศีลธรรมวิธีการสอนศาสนาควรจะได้นำวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ขอให้ลองศึกษาวิธีศึกษาวิชาการแพทย์ตลอดถึงวิธีการรักษาโรควิธีการบริหารงานวิธีแบ่งงานกันทำซึ่งในเมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะทำให้มองเห็นได้ด้วยตนเองว่า วิธีการสอนศาสนาซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการรักษาโรคทางกายมากมายนั้นมันมีข้อบกพร่องอยู่ที่ไหนบ้างและควรจะแก้ไขกันอย่างไรจึงจะได้ผลการสอนศานาย่อมหมายถึงการบำบัดความบกพร่องหรือความพิการทางจิตใจให้หมดไปจิตใจมีความละเอียดประณีตมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าร่างกายมากมาย แต่ล้วไม่ว่ารัฐบาลหรือคณะสงฆ์ก็ยังให้ความสนใจต่อ ก, การเผยแพร่พุทธศาสนาน้อยมากจนเกือบจะพูดได้ว่าเป็นการดูถูกหรือเหยียบย่ำศาสนาเสียด้วยซ้ำไปทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเจตนาที่จะดูถูกเหยียบย่ำเลยเพราะในความรู้สึกของบุคคลเหล่านี้ก็เคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาศาสนาแต่การกระทาที่แสดงออกต่อพระศาสนานั้น ไม่สมกับศาสนาเป็นของสูงสุดขอให้ดูงบประมาณที่ให้ทางศาสนากับงบประมาณในด้านอื่นๆแตกต่างกันเพียงไรความสนใจของประชาชนที่มีต่อศาสนากับที่มีต่อสิ่งอื่นแตกต่างกันเพียงไรข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายยังมัวหลับไม่รู้ว่าศาสนาเนี่ยละ ที่สามารถจะนําไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะศาสนาคือหลักในการพัฒนาจิตใจคนศา ส, สนาสามารถที่จะกล่อมกล่อจิตใจของคนเราให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถใช้ทรัพสมบัติใช้อิทธิพลหรืออำนาจในหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริงมือกฎหมายกับมือศาสนามีความละเอียดประณีตผิดกันมากมาย คนที่รู้กฎหมายอาจจะทำผิดกฎหมายได้ง่ายโดยที่คนอื่นไปทำอะไรเขาไม่ได้ส่วนคนที่เข้าถึงศาสนามีหลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแม้จะมีโอกาสทำความชั่วทำความเดือดร้อนแก่คนอื่นกระทำการขอรับชั้นแต่เขาก็จะไม่ทำเป็นอันขาดหรือถ้าหากจะทำก็จะทำได้ไม่นานโอกาสที่จะเลิกหรือกลับใจ ยังมีมากกว่าคนที่รู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นมือของศาสนาจึงนับว่าเป็นมือที่พระนิรดและยาวมากเพราะสามารถที่จะเข้าคุ้มครองไปแทรกซึมในวงงานต่างๆ ต, ตลอดจนกระทั่งในครอบครัวในสังคมทุกแห่งแม้กระทั่งในที่เร้นลับคนอื่นไม่รู้แต่มือของศาสนาก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปคุ้มครองคนเหล่านั้นได้ แต่ก็ขอให้พิจารณาดูเถิดว่าคนทั้งหลายได้ให้ความสนใจในอันที่จะพยายามเรียนรู้ทางศาสนาให้มีศาสนาอยู่ในใจกันแค่ไหนในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้เขียนโครงการโดยสังเขปถึงวิธีการฝึกสมาธิ ในแบบที่สามารถจะนำไปแก้ปัญหาต่างๆของคนเราได้เกือบทุกอย่างและข้าพเจ้าได้เขียนให้เห็นถึงหลักการสำคัญซึ่งมีทั้งหมด8หัวข้อแต่ยังไม่ได้ขยายความโดยละเอียดเพราะฉะนั้นในฉบับนี้จะได้เอาหัวข้อทั้ง8นี้มาขยายความให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นประการแรกข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะฝึกสมาธิ จะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดซึ่งหมายถึงว่าเราจะสอนใครเราจะต้องรู้จักชื่อพ่อแม่อาชีพการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและจะต้องรู้ถึงอุปนิสัยใ จ, ใจคอความถนัดความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอุดมคติในการดำเนินชีวิตและจะต้องทดสอบถึงพื้นความรู้ในทางศาสนาที่มีอยู่ก่อนการสอบประวัติให้ทราบรายละเอียดตามหัวข้อดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากเพราะถ้าหากไม่รู้พื้นต่างๆดังที่กล่าวมาการสอนอาจจะเสียเวลาคือบังทีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องสอนเพราะเขารู้มาแล้วก็กลับไปสอนซ้าซึ่งจะทำให้เบื่อและถ้าหากเราไม่รู้พื้นความรู้การสอนก็อาจจะทำไม่ถูกจุดตามที่เขาต้องการและที่สำคัญที่สุดก็คือ ถ้าหากเรารู้พื้นเขาอย่างดีเราก็อาจจะรวบรัดสอนเฉพาะเท่าที่จําเป็นและก็มุ่งที่จะให้เกิดผลจริงๆซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานเลยแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้เวลานา น, านและในเมื่อการสอนเราจะต้องทำกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเรารู้พื้นของคนที่จะสอนเราก็จะได้จัดให้รวมอยู่ในชั้นเดียวกันได้สะดวก ซึ่งจะทำให้การสอนเกิดผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือคนสอนก็สะดวกคนเรียนก็ไม่เบื่อและเขาจะเห็นผลก้าวหน้าอยู่เสมอถ้าเราหันไปพิจารณาถึงการเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีการเทศบนธรร ม, มาทหรือโดยวิธีการแสดงปฏตกราหรือโดยวิธีพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่เราก็จะเห็นว่าทาไมการสอนศาสนาในลักษณะเช่นนี้ จึงได้ผลน้อยคือจะได้ผลเฉพาะคนที่มีพื้นเหมาะสมแก่การสอนในครั้งนั้นๆส่วนคนที่มีพื้นมาไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเบื่อหน่ายการที่คนทั้งหลายในสมัยปัจจุบันไม่ค่อยจะสนใจทางศาสนาซึ่งบางคนก็แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือแสดงความไม่ศรัทธาออกมาอย่างชัดเจนนั้นก็เพราะคนเหล่านี้เคยฟังเทศเคยอ่านหนังสือ เคยสนทนากับคนอื่นๆที่มีความรู้มาแล้วแต่แล้วไม่เข้าใจมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาไปฟังที่ไหนหรืออ่านหนังสืออะไรก็มักจะเป็นแบบนี้เกือบทุกทีในที่สุดจึงได้เกิดความเบื่อหน่ายขอให้สังเกตว่าการเผยแพร่ศาสนาส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีเทศบนธรร ม, มาทหรือการแสดงปัจกถา ส่วนวิธีที่ก่อนจะสอนใครต้องสอบประวัติกันอย่างละเอียดนั้นยังไม่มีที่ไหนทำกันเป็นกิจจลนะักษณะถึงแม้ในที่บางแห่งจะมีอยู่บ้างก็ทำกันเป็นการส่วนตัวกล่าวคือถ้าคนไหนได้มีโอกาสพบท่านผู้รู้และได้อยู่อย่างใกล้ชิดได้มีโอกาสสนทนากันบ่อยบ่อยซึ่งทำให้ผู้ที่จะสอนทราบถึงความเป็นไปของผู้นั้นอย่างละเอียดในกรณีอย่างนี้ ก็สามารถให้คำแนะนำที่ทำให้เกิดศรัทธาได้และผู้นั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำได้ตัวอย่างเช่นนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีวิธีการสอบประวัตินั้นย่อมจะมีแบบของมันโดยเฉพาะคือสุดแล้วแต่ผู้ที่รับการสอนมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือต้องการจะทราบอะไร หรือมีความเดือดร้อนในเรื่องอะไรความจาเป็นที่จะต้องรู้รายละเอียดก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับนายแพทย์ที่ทำการตรวจโรคเมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรก็ย่อมจะมีวิธีการตรวจแต่ละชนิดการตรวจสอบภาวะจิตใจหรือการสอบประวัติของผู้ที่จะเรียนก็เช่นเดียวกันครั้งแรกเราก็ต้องรู้ความเป็นไปอย่างกว้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องรู้เหมือนกันหมดทุกคนแต่ครั้นแล้วในเมื่อเราต้องการจะสอนเขาในเรื่องอะไรหรือต้องการจะแก้ปัญหาอะไรก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอีกครั้งหนึ่งการสอนจึงจะได้ผลเมื่อพูดถึงเรื่องการสอบประวัติอย่างละเอียดนี้ขอให้นึกถึงตัวอย่างจากวิธีของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้นั้นอย่างถี่ถ้วนมากรู้จนกระทั่งบุพกรรมในชาติก่อนและจะต้องรู้ถึงอนาคตแล้วเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ศึกษาจากเรื่องทศพลายานซึ่งมีอยู่สิบหัวข้อทศพลายานหรือทศภรรยานทศแปลว่าสิบ ท่าสพลายานหรือทศพลายานคือยานที่เป็นกำลังในการสั่งสอนสิบอย่างเช่นยานข้อที่หนึ่งเรียกว่าฐานาฐานนยานแปลว่ายานที่รู้ถึงฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอัฐนะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อนี้หมายความว่าพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องที่จะสอนนั้น เขาอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้หรือไม่จะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพียงแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าคนที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้เรื่องศาสนาแตกฉานเท่านั้นแต่จะต้องรู้ถึงความเป็นไปรู้ถึงสติปัญญาของผู้ที่จะสอนอย่างละเอียด พระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ยากแม้จะไม่เคยพบคนนั้นมาก่อนหรือเพิ่งจะพบเป็นครั้งแรกแต่เมื่อพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้นั้นพระองค์ก็ทรงใช้วิธีทางสมาธิซึ่งสามารถที่จะหาคําตอบได้ทุกๆอย่างโดยไม่ยากและรู้ได้ทันทีด้วยการที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ก็เพราะพระองค์สามารถที่จะหาความรู้ได้ทุกอย่างจากจิตใจของพระองค์เองคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะตามสับแปลว่ารู้แจ้งจากตัวเองหรือที่ตัวเองหรือด้วยตัวเองและโดยไม่ผิดคือคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบคือโดยไม่ผิดคำว่าสัมแปลว่าจากตัวเอง ที่ตัวเองหรือด้วยตัวเองคำว่าพุทธะแปลว่ารู้แจ้งขอให้นึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งที่กล่าวว่าก่อนเวลารุ่งอรุณพระองค์จะทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสาตว์โลกบุคคลผู้ใดยอยู่ในขายที่พระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในใจให้เห็น และพระองค์สามารถที่จะศึกษาความเป็นไปทุกอย่างเกี่ยวกับผู้นั้นได้อย่างละเอียดทางนี้ก็เพราะพระองค์มียานพิเศษหลายอย่างเช่นทรงสามารถระลึกชาติได้คือเมื่อต้องการจะทรงทราบเรื่องอดีตชาติของผู้ใดเมื่อทรงตั้งพระทัยแล้วเรื่องอดีตชาติทั้งหลายก็จะปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เป็นการเดาหรือคาดคะเนหรือนึกคิดไปเอง หรือนึกเห็นไปเองแต่หากหมายถึงการรื้อฟื้นเหตุการณ์ตามความเป็นจริงทุกอย่างของผู้นั้นได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเหมือนกับคนที่มีความจำดีเมื่อต้องการจะนึกย้อนหลังว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างไปทำอะไรที่ไหนพูดกับใครว่ายอย่างไรหรือมีใครมาหามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างก็สามารถที่จะจาได้ทั้งหมด คือนึกออกได้ทั้งหมดตามความเป็นจริงและถ้าเป็นคนที่มีสมาธิดีก็จะเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนในใจคำพูดทุกอย่างก็จำแม่นคำว่าระลึกชาติได้มีความหมายดังที่กล่าวมานี้โปรดจำให้ดีว่าเพียงแต่การระลึกชาติเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่และกว้างขวางมาก คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างละเอียดไม่เคยฝึกหัดในทางสมาธิเลยก็มักจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่ทรงระลึกชาติได้เท่านั้นแต่ยังทรงมีตาทิพย์คือสามารถมองเห็นชีวิตหลังจาตายได้อีกสิ่งที่เล็กที่สุดหรือไกลที่สุดซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นพระองค์ก็ทรงสามารถเห็นได้ และยังทรงสามารถอ่านใจคนอื่นได้เหมือนอ่านใจตัวเองและยังมียานอื่นอื่นอีกมากซึ่งยานต่างๆเหล่านี้เกิดจากสมาธิทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการยากอะไรที่พระองค์จะทรงทราบถึงความเป็นไปของใครได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่สำหรับเราซึ่งไม่มีความสามารถในเรื่องเหล่านี้เลยแม้สักเท่าขีเล็บของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้น จึงไม่อาจที่จะนาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์ได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะรู้หลักว่าทำไมพระองค์จึงทรงสามารถสอนได้ผลทุกครั้งซึ่งจากหลักที่กล่าวมานั้นได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าวิธีการสอนศาสนาอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ได้ห่างไกลจากหลักที่แท้จริงมากมายเพียงไรเพราะฉะนั้นจึงทาให้คนทั้งหลายเบือ่อศาสนา และสอนเขาไม่ได้ผลแม้แต่จะพูดให้เขาเข้าใจก็เป็นการยากอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงจะแนะนำให้เขาปฏิบัติตามเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อาจจะปฏิบัติตามได้ขอให้สังเกตดูว่าเพียงแค่เรื่องสีลห้าก็เป็นการยากที่จะสอนให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามได้ทั้งนี้ก็เพราะเราจะสอนใครเราไม่ได้สอบประวัติเขาอย่างละเอียด สอนกันตามประเพณีมากกว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เสนอแนะว่าจะสอนใครจะต้องมีการสอบประวัติผู้นั้นอย่างละเอียดก่อนจึงจะรู้ว่าเราจะสอนเขาอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อันที่จริงการสอบประวัติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนัก เพราะบางคนอาจจะไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงในเมื่อสิ่งที่เขาจะบอกนั้นเป็นความลับส่วนตัวหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเขาแต่ถ้าหากเราไม่รู้การสอนก็อาจจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรมันเหมือนกับหมอจะวางยาสลบแก่คนไข้แต่ไม่รู้ว่าคนไข้มีโรคอะไรอยู่บ้างซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ในเมื่อวางยาสลบในกรณีอย่างนี้ ถ้าคืนทําไปก็อาจจะเกิดอันตรายมากกว่าดีไม่ดีก็อาจถึงตายได้การสอนศาสนานก็เหมือนกันบางคนไม่รู้ความตื้นลึกของเขาสัากแต่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดออกไปซึ่งบางทีไปแทงจุดใจดาของเขาเลยทำให้เขาเกิดความไม่ชอบหรือหมดศรัทธาขึ้นมาทันทีหรือบางทีก็ทำให้เกิดการดูถูกซึ่งถ้าเขาโดนอย่างนี้บ่อย ก็ทำให้เขาเบื่อต่อศาสนาเข้ากระดูกดําทีเดียวเจนไม่ยอมไปวัดเลยไม่ว่าวัดไหนไม่ยอมศึกษาธรรมไม่ว่าใครจะมาแนะนําชักจูงว่ามีพระหรือมีผู้รู้ที่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมไปไม่ยอมฟังเขามีอุปาทานฝังแน่นว่ามันก็เหมือนกับที่เขาเคยผ่านมาแล้วและบางคนก็รุนแรงถึงขนาดพูดว่า เขานับถือพระรัตนเพียงสองคือพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นส่วนพระสงฆ์เขาไม่นับถือหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าวิชาธรรมะไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างเขาอย่างนี้เป็นต้นคนที่เป็นโรคเบื่อธรรมเบือ่อศาสนาเช่นนี้ถ้าหากเอามาวิจัยให้ดีแล้วเราก็จะพบข้อเท็จจริงมากมายที่ทาให้รู้ว่า ทำไมก็จึงเบื่อศาสนาซึ่งข้อเท็จจริงที่พบกันบ่อยนั้นก็คือเพราะไม่มีใครที่สามารถจะพูดแนะนำให้เขาเข้าใจให้เขาเกิดความเลื่อมใสได้และที่เขาเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วก็ล้วนแต่ทำให้เขาเกิดความเบื่อหน่ายหรือหมดศรัทธาทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือผู้สอนไม่ทราบความเป็นไปของเขาอย่างละเอียดหรืออาจจะทราบ แต่ก็ไม่มีความสามารถพอที่จะพูดแนะนำหรือชักจูงเขาได้ขอให้นึกถึงหลักฐานาฐานญ า, านซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทรงรู้เสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นไปไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสมมุติว่า เราได้ตกลงกันในหลักการได้แล้วว่าถ้าจะทำการสอนใครให้ได้ผลจะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดคราวนี้ลองมานึกดูว่าเราจะต้องใช้บุคคลประเภทไหนบ้างจะต้องมีอะไรบ้างจึงจะสามารถทำการสอบประวัติและบันทึกกันไว้เป็นหลักฐานและจัดเข้าอย่างมีระเบียบเพื่อสะดวกแก่การที่จะค้นคว้าในภายหลังจะเห็นได้ว่าไม่ใช่งานเล็ก ขอให้นึกถึงงานที่ทำกันอยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถาบัานอื่นๆว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วเราหันมามองดูถึงวิธีทำงานในทางศาสนาแล้วท่านก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนน่าสังเวชใจหรือไม่ที่เราไม่รู้จักนำวิธีการสอนซึ่งได้มีอยู่แล้วในพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลาย การฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นอกจากจะต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดดังที่ได้อธิบายไว้แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องกระทำคือจะต้องตรวจดูพื้นฐานของผู้ที่จะฝึกว่าโดยนิสัยหรือสันดานเขามีความดีอะไรบ้างเช่นเป็นคนขยันแค่ไหนรู้จักรับผิดชอบแค่ไหนมีความซื่อสัตย์มีความอดทนมีความเฉลียวฉลาด มีความกระตัญอยู่แค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นขอให้นึกถึงหลักในการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งโดยปกติก่อนที่พระองค์จะทรงสั่งสอนใครพระองค์จะต้องตรวจดูอุปนิสัยตรวจดูบุญบารมีของผู้นั้นก่อนและคำว่าตรวจดูอุปนิสัยตามหลักในคำพีได้อธิบายว่าได้แก่การตรวจดูอินทรีห้ากล่าวคือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าคนไหนยังมีอินทรีย์อ่อนเช่นศรัทธาอ่อนหรือความเพียรย่อหย่อนยังไม่เหมาะหรือยังไม่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลพระองค์ก็จะยังไม่เสด็จไปสอนเพราะถ้าหากพื้นอุปนิสัยเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ห้านั้นยังอ่อนอยู่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลได้และในกรณีบางอย่าง ถ้าหาจะต้องสอนก็จะไม่สอนเพื่อให้บรรลุมากผลแต่สอนเพื่อที่จะให้อินทร์ต่างๆมีความแก่กล้าขึ้นเช่นพระองค์จะหาทางพูดหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแก่กล้าในเมื่อผู้นั้นยังมีศรัทธาน้อยอยู่อย่างนี้เป็นต้นจากวิธีการของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การสอนศาสนาอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะเราไม่ตรวจดูพื้นฐานแห่งความดีที่เขามีอยู่สัจธว่านึกจะสอนอะไรก็สอนกันไปโดยไม่คำนึงถึงว่าเขาจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เช่นอย่างอาจารย์บางคนเห็นหน้าใครก็มักจะชวนให้นั่งสมาธิโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเขามีพื้นพอที่จะฝึกได้หรือไม่ และที่ทำกันบ่อยที่สุดจนถือเป็นประเพณีก็คือการให้ศีลไม่ว่าจะทำบุญอะไรจะต้องมีการให้ศีลเสมอและถือกันว่าเป็นการเตือนให้ได้ยินให้ได้ฟังบ่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะปฏิบัติได้เองแต่ถ้าหากเราจะสอนให้คนถือศีลข้อไหนก็ต่อเมื่อตรวจดูแล้วว่าเขามีพื้นความดีพอที่จะถือศีลข้อนั้นข้อนี้ได้ เราจึงต้องค่อยสอนโดยไม่ต้องถือตามประเพณีวิธีนี้จะทำให้คนทั้งหลายถือศีลกันอย่างจริงจังและถือกันได้มากกว่าที่จะสอนให้ถือตามประเพณีถ้าหากเราจะสอนเรื่องไหนให้แก่ใครโดยไม่รู้พื้นความรู้เบื้องต้นของเขาการสอนย่อมจะไม่เป็นผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือคนเรียนก็จะเบื่อคนสอนก็จะเบื่อ เพราะไม่ค่อยเห็นผลการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสอนให้ทำสมาธิด้วยแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้พื้นฐานของความดีและความชั่วที่มีอยู่ในสันดานของเขาอย่างละเอียดเพราะหลักของการสอนที่ถูกต้องมีอยู่ว่าในบางครั้งเมื่อเราจำเป็นจะต้องพูดชักจูงให้เขาเกิดความปีติสมนั ชักจูงให้เขาเกิดกําลังใจในอันที่จะปฏิบัติเราจะต้องพูดถึงความดีเท่าที่เขามีอยู่จริงๆเป็นความดีที่เขาภาคภูมิใจอยู่เสมอโดยธรรมดาไม่ว่าใครถ้าหากเราพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นความดีของเขาเขาจะต้องดีใจถ้ายิ่งคนที่พูดเป็นคนใหญ่โตเป็นที่เคารพอย่างมาก ก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มภูนปีติสมนัตให้แก่เขายิ่งขึ้นเช่นสมมุติว่าโดยนิสัยสันดานเราเป็นคนซื่อสัตย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยไม่เคยทุจริตต่อหน้าที่ถ้าหากมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงเราในแง่นี้เราก็ยอมจะต้องดีใจเป็นธรรมดาซึ่งไม่ว่าใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้น การฝึกสมาธิในบางครั้งจิตใจหดหูเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติในกรณีอย่างนี้ถ้าหากเราพยายามพูดถึงความดีที่เขามีอยู่และเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งความหดหูความขี้เกียจหรือความเบื่อหน่ายก็จะหมดไปข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่จะให้กรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัตินั้นถ้าหากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แล้วพระองค์จะต้องตรวจดูก่อนว่าเมื่อชาติก่อนเขาเคยฝึกกรรมฐานข้อไหนเคยปฏิบัติมาอย่างไรซึ่งเขาเคยได้ผลมาแล้วครั้นแล้วพระองค์ก็จะทรงให้กรรมฐานอย่างเดียวกับที่เขาเคยปฏิบัติมาตัวอย่างนิคมพีเช่นพระจุลปันกะพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหรันต สอนให้ภาวนาวเรื่องพุทธคุณแต่ท่านจุนลปันธกะปฏิบัติไม่ได้เลยตลอดเวลาสามเดือนจนท่านรู้สึกเบื่อหน่ายคิดจะศึกแต่ได้มีพระอีกรูปหนึ่งพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทราบความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ทรงให้กรรมฐานใหม่กล่าวคือทรงให้พระชน้าขาวพื้นหนึ่งแล้วรับสั่งให้ภาวนาว่าระโชหารัง ซึ่งแปลว่าให้นำเอาทุลีออกท่านจุนลปันธกะได้นั่งภาวนาอยู่หน้ากุฏิของพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระองค์ไม่อยู่เพราะหมอชีวกโกมารพัฒนิมนพระองค์ไปสวยอาหารที่บ้านพร้อมทั้งพระนิวัดนั้นทั้งหมดเหลือแต่ท่านจุนลปันธกะองค์เดียวอยู่เฝ้าวัดเมื่อท่านจุนลปันกะภาวน า, พ ร, วนาพร้อมกับเอามือถูผ้าไปมา ในที่สุดผ้าก็ดำเพราะเหงื่อที่มือท่านใดนั้นท่านก็เกิดความสังเวชว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยของสกปรกพร้อมกับนึกด้วยว่าสิ่งสกปรกในร่างกายยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งสกปรกในจิตใจซึ่งเราควรจะต้องเอาออกในขณะที่ท่านกำลังรู้สึกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งกระแสจิต มาสนับสนุนความคิดของท่านให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์และได้ไปฉันอาหารที่บ้านหมอชีวกโกมารพัฒพร้อมกับพระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นเองเรื่องที่เล่ามานี้เล่ามาแต่โดยย่อขอให้สังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภาวนาอย่างนั้น และทำไมจะต้องส่งให้ผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยทางนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีว่าเมื่อชาติก่อนปราจุลาปันทะกะเคยเกิดเป็นพระราชาและมีอยู่วันหนึ่งในเมื่อพระองค์เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงือ่อตามพระพักเมื่อเห็นผ้านั้นสกปรกก็เกิดความสังเวชและสละราชสมบัติออกบวชฝึกสมาธิ จนได้สำเร็จอภิญญาหลายอย่างพื้นเดิมของท่านจุลปันทกะเป็นเช่นนี้พระองค์จึงทรงให้ผ้าเช็ดหน้าแล้วรับสั่งให้ถูไปถูมาในขณะที่ภาวนาว่าระโชหาระนังระโชหะระนังเพราะพระองค์ทราบดีว่าในเมื่อเห็นผ้าขาวซึ่งเป็นของที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เมื่อมาเศร้ามองพระมือของตนก็จะเกิดความสังเวชเพราะพื้นทางนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนจากเรื่องของพระจุลรับปันตกะตามที่เล่ามาให้ฟังนี้ท่านเห็นเล่าหรือยังว่าการสอนกรรมฐานหรือการแนะนำวิธีฝึกสมาธิให้แก่คนทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันนั้นย่อมไม่เกิดผลแก่คนทุกคนอย่างแน่นอน บางคนเท่านั้นที่อาจปฏิบัติได้ผลขอให้นึกถึงวิธีการสอนตามที่มีอยู่ในสํานักต่างๆเราจะเห็นแล้วว่าได้แตกต่างจากวิธีของพระพุทธเจ้าอย่างมากมายทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ถึงหลักการสอนที่แท้จริงเมื่อตอนเองเคยสอนใครได้ผลก็มักจะใช้วิธีนั้นแก่คนอื่น เราจะใช้ยาเพียงอย่างเดียวแก่คนไข้ทุกคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ฉันใดการที่จะสอนให้คนฝึกสมาธิเป็นแบบเดียวกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นแม้แต่การสอนธรรมะในขั้นต่ำๆอย่างที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เป็นการจําเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานความดีที่เขามีอยู่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว การสอนจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนอันหนึ่งโดยปกติคนเราเมื่อจะเบื่อมักจะเบื่อถ้าได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ตนเคยรู้แล้วแต่ปฏิบัติตามไม่ได้อันนี้สำคัญมากผู้สอนที่ดีเช่นสมมุติว่าจะสอนใี้เขาถือศีลห้าเราก็ต้องรู้อย่างแน่นอนเสียก่อนว่า ศีลข้อไหนที่เขาปฏิบัติได้อยู่แล้วและข้อไหนที่ยังปฏิบัติไม่ได้และหากจะสอนเขาให้ถือศีลข้อที่เขายังปฏิบัติไม่ได้ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้พื้นฐานว่าศีลข้อที่เขาปฏิบัติได้อยู่แล้วนั้นจะมีทางเชื่อมโยงให้เขาจำเป็นต้องรับหรือเห็นด้วยกับศีลข้อที่เขายังปฏิบัติไม่ได้อย่างใดบ้าง ตัวยอย่างในคัมภีร์ก็มีเช่นในเรื่องสุตโสมชาดกเมื่อพระเจ้าสุตโสมจะสอนพระเจ้าปุริศาทซึ่งเป็นมนุษย์ที่กินคนให้เลิกจากการฆ่าสัตว์ครั้งแรกพระองค์ไม่ตรัสถึงเรื่องนี้โดยตรงแต่พระองค์ตรัสถึงเรื่องความกตันญูและความซื่อสัตย์ซึ่งพระเจ้าปุริศาทมีอยู่อย่างมากมายเมื่อพระองค์พูดถึงสิ่งเหล่านี้พระเจ้าปุริศาท ก็รับฟังด้วยดีจนกระทั่งในที่สุดตกหลุมไปรับปากพระเจ้าสุตโสมที่จะไม่เป็นคนอกตันอยู่ต่อคนที่มีพระคุณและในที่สุดพระเจ้าโพริาษาสตก็เลยฆ่าพระเจ้าสุตโสมไม่ได้นอกจากนี้พระเจ้าสุตโสมยังทรงขอร้องให้เลิกฆ่าบรรดาเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่จับมาเพื่อจะฆ่าบูชายันเทวดาอีกด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องไปหาอ่านเอาเองจากเรื่องสุดทศสมชาดกและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายในพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงกุสโลบายในการสอนที่สามารถกลับใจคนได้โดยไม่ยากแต่หลักสำคัญก็คือเราต้องรู้จักพื้นฐานความดีของเขาที่มีอยู่จริงๆในเมื่อหลักการสอนมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้ ทีนี้ลองมานึกดูอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรจึงจะรู้พื้นฐานของคนที่จะสอนวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือสอบประวัติโดยละเอียดแต่การสอบประวัตินั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่ใช่ทำได้ง่ายง่เพราะบางคนก็อาจจะปกปิดไม่ยอมเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องนี้ก็ต้องมีอุบายกันหลายอย่าง ที่จะต้องหาทางตรวจสอบให้รู้ถึงความเป็นไปทุกอย่างในส่วนที่จําเป็นจะต้องรู้แต่อย่างไรก็ดีวิธีการที่ง่ายอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีการฝึกสมาธิควรจะต้องให้มีการเรียนธรรมะกันอย่างละเอียดจากการสอนนี่แหละจะทำให้ผู้สอนรู้ถึงอุปนิสัยต่างๆที่มีอยู่ในสันดานของเขา จะนั่นย่อมหมายถึงว่าผู้สอนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้แตกฉานในธรรมะจริงๆรวมทั้งจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆในทางโลกด้วยจึงจะสามารถทราบถึงอุปนิสัยของผู้ที่จะฝึกได้ดีอันหนึง่งจิตย่อมมีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกาย ย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันชันใดคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันชันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าคนคนนี้จะสามารถถือศีลได้หรือไม่จะเข้าสมาธิได้หรือไม่จะเกิดความรู้แจ้งในธรรมหรือไม่ ผู้สอนจาเป็นจะต้องรู้ถึงคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกันเช่นคนที่จะถือศีลได้อย่างแท้จริงนั้นพื้นเดิมจะต้องเป็นคนมีสัจจะมีเมตตากรุณาอย่างเพียงพอมีความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างลึกซึง้งต้องเข้าใจเรื่องการตายและเกิดเข้าใจเรื่องอริยสัจ จึงจะสามารถถือศีลได้ดีคนที่จะเข้าสมาธิได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีพื้นคุณธรรมหลายอย่างเช่นต้องเป็นคนมีศรัท ธ, ธามีสัจจะมีศีลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะสอนธรรมะถ้าหากไม่ตรวจพื้นฐานความดีที่มีอยู่ก่อนให้รู้อย่างทองแท้แล้ว ยอมไม่สามารถจะแนะนำให้เข้าปฏิบัติได้ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าคนที่จะถือศีลได้เข้าสมาธิได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางคุณธรรมอะไรบ้างและจะต้องฝึกโดยวิธีไหนจึงจะสามารถเข้าสมาธิได้ดี ทศพลยานพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถสอนเวเนยศัตว์ได้ผลทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงมีทศพลยานซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. ฐานาฐานายญาณปรีชากำหนดรู้ฐานะและอัฐานะ 2. วิปากยานปรีชากำหนดรู้ผลแห่งกรรม สสัพพัทธคามินีปฏิปทาญานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาทาตุญาณปริชากำหนดรู้ทาต่ต่างๆ 5. นานาธิมุติกายานปริชากำหนดรู้อธิมุติคืออธัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นต่างๆกัน 6. อินทริยปรปโรบาริยตญาณปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7. นานาที่สังกิเลสาธิญาณปรีชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีชานเป็นต้น 8. ปุเพนิวาสานุสติยานปริชากำหนดระลึกชาติคนหลังได้ 9. จุตูปปาตยานปรีชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรม 10. อาสวะขยายานปริชารู้จักธรมอาสวะให้สิน้น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 ปรีชากำหนดรู้วิบากแห่งกรรมยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครพระองค์จะต้องรู้ถึงนิสัยสันดานที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติก่อนจากการรู้นิสัยสันดานก็จะทำให้รู้ว่าเขาได้เคยทำกรรมอะไรมาบ้างจึงได้มีวิบากเกิดขึ้นอย่างนี้คำว่าวิบากแปลว่าผลของกรรม แต่ผลในที่นี้หมายเฉพาะถึงผลที่เกิดขึ้นในสันดานเท่านั้นและคําว่าวิบากก็เป็นคํากลางๆเมื่อพูดถึงวิบากไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ไดีเสมอไปในทางพุทธศาสนามีคําใช้ว่าวิบากของกุศลและวิบากของอกุศลซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราพูดดีทำดีคิดดี ทุกครั้งที่ทำกรรมเหล่านี้วิบากที่ดีก็จะต้องเกิดขึ้นในสันดานคือเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกหรือผวังขจิตแลา ว, วิบากอย่างนี้ก็เรียกว่าวิบากของกุศลแต่ถ้าในขณะใดเราพูดชั่วทำชั่วคิดชั่ววิบากที่เกิดขึ้นในสันดานก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเรียกว่าวิบากของอกุศล เช่นเมื่อเราหัดเป็นคนขยันหรือเป็นคนซื่อนิสัยขยันนิสัยซื่อก็จะเกิดขึ้นนิสัยเหล่านี้เรียกว่าวิบากของกุศลแต่ถ้าหากหัดเป็นคนขี้เกียจหรือทำการคิดคดทรยศไม่ซื่อต่อคนทั่วไปก็จะเกิดนิสัยขี้เกียจนิสัยไม่ซื่อสัต์นิสัยเหล่านี้ก็เรียกว่าวิบากของอกุศลอย่างนี้เป็นต้น แต่ก็ได้โปรดจําไว้ด้วยว่าแม้เราจะทําเพียงครั้งสองครั้งไม่ได้ทําบ่อยๆความเคยชินยังไม่เกิดแต่วิบากก็มีแล้วแม้จะทําเพียงครั้งเดียววิบากของกรรมนั้นก็จะมีอยู่ในสันดานและตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้ลบเอาออกวิบากอันนั้นก็จะมีอยู่ตลอดไปแม้จะตายไปแล้วไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไร วิบากก็ยังอยู่และก็พร้อมที่จะให้ผลในเมื่อมีโอกาสวิธีที่วิบากจะให้ผลก็คือเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับในขณะที่ทากา ร, ร ม, มันนั้นมาเขาก็จะบังคับตนเองไม่ได้เขาจะต้องพูดจะต้องทำจะต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยทาเคยพูดเคยคิดมาแล้ว ขอได้โปรดคิดว่าลักษณะเฉพาะของวิบากก็คืออำนาจบังคับให้ต้องพูดให้ต้องทำให้ต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วคำว่าปริชายานกำหนดรู้วิบากแห่งกรรมหมายถึงพระองค์ทรงมีปริชายานคือทรงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิบากของกรรมแจ่มแจ้งแทงตลอด เพียงแต่ตรวจดูพบว่าเขามีนิสัยอย่างไรก็จะมองเห็นภาพแห่งกรรมในอดีตล่วงรู้ถึงการกระทาในอดีตและคําว่านิสัยนั้นหมายถึงวิบากที่เข้มขน้นคือวิบากที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักนิสัยของผู้ใดก็สามารถจะล่วงรู้ถึงการกระทาของผู้นั้นในอดีตได้โดยไม่ยาก และจะรู้ด้วยว่าเมื่อเขามีวิบากมาอย่างนี้ถ้าเขามีโอกาสเมื่อไรเขาก็จะทำเหมือนอย่างที่เขาทำมาแล้วคนโดยมากไม่ค่อยเข้าใจคำว่าวิบากโดยชัดเจนคอยแต่จะคิดว่าถ้าคนไหนทำกรรมดีมามากเขาก็ควรจะร่ำรวยมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนทาบาปมามากก็ควรจะได้รับโทษ หรือมีความทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์และเข้าใจไขว้เขวเพราะฉะนั้นโปรดจําให้ดีว่าทุกครั้งที่ทำกรรมแม้จะทำเพียงครั้งเดียววิบากก็เกิดและวิบาก ท, ที่เกิดขึ้นในสันดานคือลักษณะของจิตใจอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในขณะที่ทากรรมแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า กรรเกิดขึ้นในจิตสํานึกหรือวิธีจิตส่วนวิบาศเกิดขึ้นในจิตไ ร, ร้สํานึกหรือผวังขจิตถ้าเพียงแต่นึกคิดอย่างเดียวไม่ได้พูดหรือทําอะไรออกมาก็เรียกว่ามโนกรรมแต่ถ้าพูดออกมาด้วยตามความนึกคิดอันนั้นก็เรียกว่าได้ทําวจีกรรมแต่ถ้าหากมีการกระทําทางร่างกาย เป็นต้นว่าใช้มือหรือใช้เท้าหรือใช้อวัยวะส่วนใดก็ตามทําไปตามความรู้สึกเนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เรียกว่ากายกรรมซึ่งถ้าหากเป็นกรรมที่ดีก็เรียกว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่าเป็นอกุศ ล, ลกรรมเพราะฉะนั้นจงจําง่ายๆว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสํานึกหรือทําด้วยจิตสํานึก คือวิถีจิตกล่าวคือในขณะที่เราทำกรรมนั้นเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังพูดกาลังทำหรือกำลังนึกคิดอย่างไรส่วนวิบากก็คือความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในจิตสำนึกแต่คราวนี้มันเกิดเป็นเชื้อฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือผวังขจิตซึ่งต่อมาภายหลังความรู้สึกนึกคิด ที่มีในเจตไร้สำนึกนี่แหละที่บังคับให้ต้องพูดให้ต้องทําหรือให้ต้องคิดมันอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในเมื่อได้สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันกับเมื่อก่อนตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครมาด่าเราด้วยถ้อยคําหยาบคายพอเขาดา่าเราก็โกรธแล้วเราก็ด่าตอบไปบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะใช้กําลังกายประทุษร้ายต่อผู้ที่ด่าเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าเราได้ทำกรรมแล้วครบทั้งสามอย่างกล่าวคือความคิดที่ประกอบด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นนี่คือมโนกรรมการด่าตอบนี่คือวจีกรรมการประทุษร้ายเขาด้วยกายนี่คือกายกรรมสมมุติว่าเวลามีใครเข้ามาด่าเราทีไร เราต้องทำกรรมอย่างนี้เสมอต่อมาภายหลังถ้ามีใครเข้ามาด่าวเราเหมือนอย่างคราวก่อนอีกแล้วเราก็ยังไม่เคยเอาชนะความโกรธได้เลยถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องโกรธอีกด่าเขาอีกประทุษร้ายเขาอีกและการที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอำนาจของวิบากที่มีอยู่ในสันดานบังคับให้ต้องทำเช่นนั้น ส่วนในกรณีที่ว่าเมื่อเราไปด่าเขาแล้วหรือประทุษร้ายเขาแล้วอาจจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าถูกฟ้องร้องหาว่ามินประมาทหรือถูกกล่าวหาว่าประทุษร้ายร่างกายซึ่งจะต้องได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นโทษที่ได้รับนี้ไม่เรียกว่าวิบากวิบากทำหน้าที่เพียงแค่บังคับให้คนคนนั้นต้องพูดต้องทา หรือต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการไปด่าหรือไปประทุสร้ายเคานั้นเรียกว่าผลของกรรมไม่ได้เรียกว่าวิบากเรื่องนี้โปรดทำความเข้าใจให้ดีคาว่าวิบากกับคาว่าผลมีความหมายแตกต่างกันเพื่อให้จำง่ายก็ขอได้โปรด จ, จำอย่างนี้ เมื่อพูดถึงวิบากจะต้องหมายถึงผลของการกระทาที่เกิดขึ้นในสันดานเท่านั้นส่วนผลที่แสดงออกมาในภายนอกคนอื่นรู้เห็นได้อันนี้เรียกว่าผลหรือเรียกว่าอานิสงส์วิบากจะต้องเกิดทุกครั้งและเกิดอยู่ตลอดเวลาในขณะทํากรรมไม่มีข้อยกเว้นส่วนผลของวิบาก หรือผลของกรรมนั้นไม่แน่เสมอไปเช่นถ้าเราไปลักขโมยของของคนอื่นเราอาจจะติดคุกติดตารางอาจถูกยิงตายอาจจะเสียชื่อหรือว่าอาจจะได้รับผลอะไรอย่างอื่นก็ได้แต่ในบางครั้งผลที่ว่านี้อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้มันเป็นคนละประเด็น เมื่อเราปลูกข้าวปลูกได้ข้าวชนิดไหนในเมื่อนาดีและทำถูกวิธีเราก็ต้องได้ข้าวชนิดนั้นแน่แต่ว่าจะได้เงินด้วยหรือไม่จากการมีข้าวจะทำให้เรามีความสุขแค่ไหนอย่างไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะได้ก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะการที่จะได้เงินหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หลายอย่าง เพราะฉะนั้นการได้เงินจึงไม่แน่ส่วนที่แน่จริงๆนั่นก็คือเมื่อปลูกข้าวต้องได้ข้าวแน่ข้อนี้ฉันใดเมื่อเราทํากรรมไดไว้สิ่งที่จะได้รับอย่างแน่นอนทุกครั้งก็คือวิบากซึ่งเกิดขึ้นในสันดานส่วนผลภายนอกไม่แน่นอนเสมอไปแต่ก็อย่าลืมว่า แม้เราจะทำกรรมเพียงครั้งเดียวต่อมาภายหลังก็มักจะอดทำอีกไม่ได้ถ้ายิ่งทำบ่อยๆโอกาสที่จะเลิกหรือบังคับตัวเองไม่ให้ทำนั้นจะยากมากโดยปกติคนเราถ้าลงว่าทำอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเลิกยากมากแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องจำให้แม่นว่า ถ้าสมมุติว่าเราเคยลักขโมยหรือเคยโกหกหรือเคยทำความชั่วอะไรก็ตามแม้เพียงครั้งเดียวเมื่อทำได้สำเร็จแล้วรู้สึกดีใจไม่เสียใจในการกระทำของตนเองถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะต้องทำอีกเพราะแม้แต่ในกรณีที่เราได้ทำกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วก็เสียใจตัวเอง ที่ไม่น่าจะทำอย่างนั้นและก็ตั้งใจว่าจะเลิกไม่ทำอีกแต่ถึงกระนั้นก็ยังเลิกได้ยากคืออดทำอีกไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเช่นนั้นเคยทำมาบ่อยๆและทำมานานแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือหญิงสาวกับชายหนุ่มเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันและมีโอกาสเพราะอยู่ในที่มิชิดไม่มีใครรู้ใครเห็นในกรณีอย่างนี้ ทั้งสองฝ่ายจะบังคับตัวเองไม่ได้ที่จะไม่ให้มีการร่วมพระเวณีเกิดขึ้นทั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนั้นเพราะถ้าเรื่องเกิดแดงขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นก็อดทำกรรมอันนี้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะการร่วมพระเวณีเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทามาแล้วทุกๆกชาติ และแต่ละชาติก็ทำมากและทุกครั้งที่ทำก็เกิดความพอใจและเกิดการติดอกติดใจอย่างยิ่งวิบากของกรรมนี้ฝังอยู่ในสันดานอย่างลึกซึง้งเพราะฉะนั้นจึงอดใจไว้ไม่ได้แต่ก็ปรากฏว่ามีบางคนแม้อยู่ในฐานะหรือโอกาสเช่นนี้แต่ก็ลาเว้นได้ซึ่งคนที่ลาเว้นได้ก็คือผู้ที่เคยหัดบังคับตัวเอง ในเรื่องนี้ได้ดีเคยถือศีลข้อกามเมได้ดีมานานแล้วและถือด้วยความเลื่อมใสถือด้วยความเข้าใจเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งวิบากของกุศ ล, ลกรรมในเรื่องนี้ของเขามีอยู่มากและด้วยวิบากของกุศลอันนี้เองที่ยับยั้งไม่ให้เขากระทำกรรมชั่วแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยถือศีลข้อกามเมแต่บางครั้งที่ละเว้นได้ก็เพราะเหตุการบังคับ ส่วนสันดานที่แท้จริงแล้วมีโอกาสเมื่อไรเป็นต้องประพฤติกรรมอันนี้เสมอถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเขาจะบังคับตัวเองไม่ได้เลยคนประเภทนี้ถ้าหากเขาเคยล่วงเกินกับใครแม้เพียงครั้งเดียวต่อมาภายหลังถ้าเขามีโอกาสเขาก็ต้องทำอีกแน่นอนในฝ่ายกรรมดีก็เหมือนกัน ถ้าลงว่าเราทําดีสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อมาก็จะง่ายขึ้นท่านเห็นแล้วหรือยังว่าเรื่องวิบากเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งวิบากของใครตัวใครได้อย่างแจ่มแจ้งก็เพราะพระองค์สามารถอ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติของใครก็ได้และยังมีตาทิพหูทิพและมียาอื่นๆประกอบอีกหลายอย่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่พระองค์จะไม่ทรงรู้วิบากของใครต่อใครอย่างแจ่มแจ้งในเมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะทรงทราบสำหรับเราเองซึ่งไม่มียานพิเศษที่จะล่วงรู้อะไรอย่างลึกซึ้งเหมือนกับพระพุทธองค์แต่ก็ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องวิบากให้เข้าใจพอสมควรเพราะถ้าหากเราจะต้องสอนใครเรารู้จักวิบากของเขาดี คือรู้ถึงนิสัยสันดานของเขาเราก็จะล่วงรู้ได้โดยไม่ยากว่าถ้าเขามีวิบากมาอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเขาเคยทำกรรมประเภทนี้มาแล้วและถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องทำอีกถ้าเราล่วงรู้เช่นนี้เราก็จะรู้จักวิธีสอนคนหรือปกครองคนได้ง่ายขึ้นและประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเราล่วงรู้ถึงวิบากของใครถ้าหากรู้จริงๆแล้วเราจะปล่อยวางเกี่ยวกับคนคนนั้นได้ง่ายมากในเมื่อคนคนนั้นเขาจะไม่ทำตามอย่างที่เราแนะนำสั่งสอนอารมณ์ของเราก็จะไม่เสียเลยการล่วงรู้วิบากของตนเองก็ดีการล่วงรู้วิบาข ก, กาบาของคนอื่นก็ดีจึงมีความสำคัญมากผู้ที่คิดจะสอนคนอื่น ถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างจำแจ้งแล้วก็เป็นอันรับรองได้ว่าการสอนจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอย่างแน่นอนเช่นเมื่อเราจะสอนสมาธิให้กับใครถ้าหากได้มีการตรวจสอบประวัติกันอย่างละเอียดก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้รู้จักวิบากของคนคนนั้นและถ้าหากเราได้มีโอกาสสอนธรรมะให้แกเขาด้วย อันนี้ก็จะช่วยทำให้รู้จักวิบากของผู้นั้นได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราระลึกชาติของเขาไม่ได้ไม่รู้จักกรรมในอดีตของเขาก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าหากจะให้คาดคะเนาจากวิบากที่เขามีอยู่ก็พอจะรู้ได้ว่าเขาคงจะเคยทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มาจึงได้มีวิบากอย่างนี้ เช่นถ้าเราเห็นใครมีนิสัยชอบโกหกเราก็รู้ว่าเขาต้องเป็นคนชอบพูดโกหกอย่างนี้มานานแล้วและถ้านิสัยนี้มีมาตั้งแต่เล็กๆก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อชาติก่อนเขาต้องเป็นคนชอบโกหกเช่นนี้เสมอนิสัยอันนี้จึงได้ติดตัวมาถ้าหากเราเห็นคนไหนนั่งสมาธิได้เก่งเข้าสมาธิได้ง่าย เราก็พอจะอยังรู้ได้ว่าเขาต้องเคยฝึกฝนในทางนี้มามากแล้วในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาฝึกสมาธิก็จะสามารถฝึกได้ง่ายทศพลยานยานที่สาม สัพพัท ธ, ธาคามินีปฏิปทายานปริชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงรู้แจ้งอนาคตของสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อทำกรรมอย่างนี้มีวิบาเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปภายหน้าจะต้องได้รับผลอย่างไรและเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุคติภูมิหรือในทุคติภูมิอย่างไร ดังเช่นในคำภีได้กล่าวไว้ว่าภิกษุนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปธิกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีดมีผิวพธุ์ดี มีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบาย สุขติวินิบาตนรบส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอาริยาเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เปรียบเหมือนประศาสตตั้งอยู่ณาทางสามแร่งทางกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นจะพึงเห็นหมูชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังจะออกจากเรือนบ้างกำลังจะสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้น ข้อความในพระสูตรนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงภิกษุผู้ที่ได้ทิพยาะจากสุขหรือทิพจักขุซึ่งทุกองค์ที่ได้สมาธิขั้นนี้ยอมจะรู้แจ้งว่าคนที่ทำกรรมต่างๆนั้นเมื่อตายไปแล้วยอมจะไปเกิดในสุขคติหรือทุกขคติตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนปราสาทมองเห็นคนที่อยู่ข้างล่าง และขอให้สังเกตว่าผู้ที่จะรู้ว่าคนเราตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ต่อเมื่อต้องมีตาทิพมองเห็นโอปปาติกะทั้งหลายและขอให้นึกถึงในคืนวันตรัสรู้ในยามที่หนึ่งพระองค์ทรงบรรลุ ป, ปุเพนิวาสานุสติญาณคือยามที่ทำให้ระลึกชาติได้ในยามที่สอง พระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตาญาณญาณที่รู้ถึงเรื่องจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายคือการตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในยามที่สามพระองค์ทรงบรรลุอาสวะขยายญาณญาณที่ทำให้อาสวะหมดสิ้นไปการที่ข้าพเจ้าได้นำข้อความซึ่งเป็นพุทธพจน์ตรัสเล่าถึงเรื่องภิกษุที่ฝึกสมาธิ จนกระทั่งได้ทิพย์ยจักสุมาอ้างนี้ก็เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลคือใครก็ตามถ้าฝึกสมาธิมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะมีความสามารถเหมือนอย่างนี้ทุกคนไม่จำกัดว่าจะเป็นคนในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาตไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้าฝึกสมาธิได้ถึงขั้นดังที่กล่าวมาก็ย่อมจะมีความสามารถรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการตายและการเกิดและสําหรับพระพุทธองค์นั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นคนแรกที่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องจุดติและปฏิสนธิและทรงรู้แจ้งกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งกว่าสมณนะหรือพรามใดๆทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ในเรื่องพรหมชาลสูตรสามัญยพนลสูตรและมหาสีหนาทสูตรสำหรับผู้ที่เคยได้อ่านข้อความในพระสูตรดังที่กล่าวมานี้จะหมดข้อสงสัยในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงภูมิของสัตว์ทั้งหลายบรรดามีอยู่ในส า, นากลจักรวาลทั้งหมดว่าถ้าผู้ใดทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดอยู่ในภูมินั้นภูมินี้ หมายเหตุผู้อ่านคำว่าทุกคนทุกศาสนาสามารถฝึกสมาธิและเกิดยานพิเศษได้นั้นเป็นการรู้เห็นในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้ที่จะรู้แจ้งกว้างขวางลึกซึง้งรู้ได้ไม่จำกัดรู้ได้ทุกภพชาติจะมีเพียงผู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะต้องสะสมบารมีมายาวนานจนได้ชื่อว่าเป็นสัพพัญูรู้แจ้งทุกสิ่งและในอภิญญาหรือยานพิเศษเหล่านี้ ในพระอาริยบุคคลนั้นก็จะมีความปราณีตมั่นคงเป็นโลกุตระอภิญญาซึ่งจะต่างกับที่เกิดในคนทั่วไปที่เสื่อมได้แล้วรู้เห็นไม่ปราณีเท่าอันเป็นโลกิยะอภิญญาจะเห็นได้ว่าพราหมณ์สมัยก่อนนั้นก็ทำสมาธิขั้นสูงแล้วรู้เห็นชาติก่อนได้เช่นกันแต่ญาณ น, นั้นก็เสื่อมได้แล้วรู้ได้ไมิเห็นถี่่วนไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งจริงอย่างพระพุทธเจ้า จึงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดความลงผิดทำให้ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงจึงไม่สามารถบรรลุธรรมรู้แจ้งธรรมไม่สามารถเข้าใจความเป็นอนัตตาได้จริงนะครับอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งในเรื่องภูมิของสัตว์ทั้งหลายนั้นจะต้องสามารถระลึกชาติในอดีตของผู้นั้นได้ด้วย และถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะทราบได้ว่าการที่คนนั้นคนนี้เกิดมาต้องมีชะตาชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรและถ้าไม่ทราบเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องในปัจจุบันก็ไม่อาจที่จะอย่างทราบถึงอนาคตได้ว่าคนนั้นคนนี้เมื่อทำกรรมไว้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดอยู่ในภูมิไหนมีความสุขความทุกข์อย่างไร โดยปกติผู้ที่จะเป็นครูสอนใครสอนในเรื่องอะไรสำหรับครูที่ดีนั้นย่อมจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเมื่อสอนให้เขามีความรู้ความสามารถอย่างนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเขาต้องได้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้และจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ครูที่ดีจะไม่สอนอย่างทรงเดชสักแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องอะไรก็สอนไป การสอนแบบนี้ย่อมไม่ได้ผลคนเรียนก็มักจะเบื่อเพราะไม่เห็นทางก้าวหน้าแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครให้ถือศีลหรือให้ฝึกสมาธิคือสอนให้ลาเว้นในเรื่องอะไรก็ตามพระองค์ได้ทรงรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าเมื่อเขาเลาเว้นจากความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ได้และได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในอนาคต เขาจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้และในขณะที่ทรงสอนก็ได้ทรงชี้แจงให้เห็นด้วยว่าเมื่อเขาประพฤติตัวอย่างนี้เขาจะได้รับผลอย่างไรบ้างพระองค์จะทรงชี้ทางไปให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งและผู้ที่รับการสอนก็จะเกิดความเลื่อมใส ย, ยินดีปฏิบัติตามซึ่งจากหลักที่ได้อ้างมาในตอนต้นนั้นก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งถึงคติหรือภูมิของสัตว์ทั้งหลายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นการสอนจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่ถ้าหากว่าเราจะหันมาพิจารณาดูถึงวิธีการสอนในทางศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าโดยทั่ ว, วไปคนฟังมักจะมองไม่ค่อยเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ นอกจากจะเชื่อกันไปตามประเพณีหรือเชื่อตามผู้ใหญ่ที่สืบต่อกันมานานโดยไม่เข้าใจเหตุผลไม่ได้เห็นตัวอย่างอันชัดเจนซึ่งผิดกับในทางโลกผู้ที่เข้าเรียนในวิชาไหนก็ตามเขามักจะรู้ดีว่าถ้าเรียนจบแล้วจะได้ทำงานอะไรจะมีรายได้อย่างไรจะมีความสุขความเจริญแค่ไหนเขามองเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทเรียนกันยอมเสียสละเงินเสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีเขาก็พยายามทำกันด้วยเหตุนี้การศึกษาในทางโลกจึงได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วส่วนการเรียนในทางศาสนาได้เจริญอย่างเชื่องช้า ก้าวหน้าไม่ทันกับความเจริญในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะผู้สอนไม่ค่อยจะแน่ใจในผลของกรรมศักด์แต่ว่าเมื่อมีหน้าที่ก็สอนกันไปเช่นผู้สอนส่วนมากไม่กล้าที่จะยืนยันด้วยความแน่ใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะมีจริงเนรคกสวรรค์มีจริงคนที่ทำบุญหรือทำบาปตายไปแล้ว จะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่กล่าวไว้ในคำภีจริงผู้สอนส่วนมากไม่ค่อยมีความแน่ใจว่าจะมีผลเหมือนอย่างที่กล่าวไวในคำภีเพราะถ้าหากผู้สอนแน่ใจหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจริงๆว่าการบริจาคทานหรือการเสียสละจะเป็นเหตุทำให้ร่ารวยผู้สอนที่มีความแน่ใจตามนี้ก็คงจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการเสียสละ แต่ผลที่ปรากฏโดยทั่วไปหาได้เป็นเช่นนี้ไม่การสอนศาสนาส่วนใหญ่มักจะสอนเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งนี้ก็เพราะตนเองไม่มีความแน่ใจว่าคนของการปฏิบัติจะเป็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความแน่ใจว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ จะต้องมีผลออกมาอย่างนี้จริงๆมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการสอนของพระองค์จึงได้ผลทุกครั้งคือทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อความเลื่อมใสและปฏิบัติตามได้ด้วยปริชาที่กำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงยานข้อนี้เป็นหลักการสอนที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็นครู ตลอดถึงผู้ที่จะเป็นนักปกครองหรือผู้ที่จะวางโครงการสำหรับงานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากผู้ใดขาดความรู้อันนี้หรือรู้แต่ไม่จำแจ้งพอจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในเรื่องการสอนและการกำหนดหลักการต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าหลักอันนี้คงจะเป็นคติเตือนใจสำหรับนักสอนต่างๆได้อย่างดียิ่ง ผู้สั้นๆก็คือถ้าตนเองไม่แน่ใจในผลของงานที่จะต้องปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะสอนใครรอถึงอย่างไรมันก็ไม่ค่อยได้ผลเสียเวลาปเปล่าๆส่วนผู้ที่มองเห็นอนาคตของงานได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นย่อมจะมีกําลังใจทํางานได้อย่างเต็มที่และผู้ที่รับการแนะนําสั่งสอน ก็จะเกิดศรัทธาในตัวผู้สอนอย่างมากด้วยขอให้สังเกตว่าการรู้เรื่องอนาคตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นแต่พระองค์ทรงยังรู้ไปถึงชาติหน้าได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยดังเช่นเมื่อพระเทวทัตในขณะที่กำลังถูกแผ่นดินสูบได้กล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งออกมาจากใจจริงขอยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งพยากรณ์ว่าต่อไปในอนาคตอีกหลพระเทวทัตจะได้สำเร็จเป็นพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ในขณะนี้จะต้องไปตกนรกสวยผลของกรรมชั่วที่ได้ก่อเอาไว้หลายอย่างไม่มีใครช่วยได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงมีปริชาญาณอย่างรู้ถึงทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงเพื่อให้ความหมายของญาณข้อนี้เป็นที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นท่านควรจะได้อ่านข้อความบางตอนในมหาสีหนาถสูตรซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองดังต่อไปนี้ดูก่อนสาวรีบุตร เราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางอย่างนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจัดเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงลาวซึ่งอบายทุคติวินิบาศนรก สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพ ย, ยจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุขของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงเลือกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยทานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะานหิวกระหาย มุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่คนทางอย่างนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้น สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ด้วยใจฉันนั้นแหละข้อความที่อ้างมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยถ้าหากจะอ้างมาทั้งหมดก็จะเป็นข้อความที่ยาวมากในที่นี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์เพียงแต่จะให้รู้หลักว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงได้เพราะอะไรซึ่งจะทำให้เราได้หลักในการที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะได้ทราบอีกนิดหนึ่งว่าในคำพีเด้กเล่าถึงกำเนิดสี่คือชลาพุชชะอันทชะสังเสทชาโอปปปาติกะและคติห้าคือนรกปเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดา แต่อสุรกายไม่มีกล่าวถึงโดยกล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องกำเนิดทั้งสี่เป็นอย่างดีและทรงรู้แจ้งว่าทางที่จะนำไปสู่คติทั้งหมีอยู่อย่างไรและคำว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงข้อปฏิบัติหรือการกระทาหรือความประพฤติต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจ และขอให้สังเกตว่าเมื่อพระองค์ทรงกำหนดดูใจของใครแล้วก็จะทรงรู้ว่าคนนี้ได้ทำกรรมไว้อย่างไรต่อไปภายหน้าเขาจะได้รับผลจริงเหมือนอย่างที่ทรงเข้าใจหรือไม่ก็ได้ทรงตรวจสอบโดยที่พยาจักษุอีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ทรงเห็นตรงกันว่าหลักอันนี้สำคัญมากเพราะโดยธรรมดาครูสอนที่ดี ยจะติดตามความคิดอ่านของลูกศิษย์ได้ทั้งหมดและเมื่ออ่านความนึกคิดได้ก็ยอมจะรู้ถึงการกระทาว่าคนที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เขาจะต้องทํากรรมอย่างนี้และเมื่อทํากรรมอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องมีผลอย่างนี้แน่นอนซึ่งการที่จะรู้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการเดาหรือคาดคะเนยอย่างเดียวแต่ยังได้ติดตามดูผลต่อมาอีกว่า ได้เป็นจริงอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่และสำหรับผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์มามากก็ย่อมจะยังรู้ไดรวดเร็วเพียงแต่สนทนาหรือซักถามเพียงไม่กี่คาก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของคนคนนั้นได้ตลอดพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้แต่ยิ่งกว่านี้มากมายเพราะแม้จะไม่ได้เห็นตัวไม่ได้สนทนาด้วย แต่ในเมื่อมีพระประสงค์จะทราบว่าคนนั้นคนนี้มีความนึกคิดอย่างไรทำกรรมอะไรมาบ้างในอดีตหรือในปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ต่อไปภายหน้าจะได้ผลอย่างไรก็ทรงรู้ได้โดยตลอดและทรงรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการสอนของพระองค์ซึ่งท้ามวงที่จะสอนใครโดยเฉพาะแล้วไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับผลสาเร็จ ตามที่พระองค์ทรงตั้งพระไถไว้ผู้อ่านบางคนอาจจะรู้สึกหนักใจว่าเราจะเอาหลักอันนี้มาใช้กับคนในสมัยปัจจุบันนี้ได้อย่างไรเพราะเราระลึกชาติไม่ได้อ่านใจคนอื่นไม่ได้ไม่มีตาทิพเรื่องหนักใจอันนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วแต่เท่าที่เขียนมาก็เพื่อต้องการให้เราทั้งหลาย หลักในการสอนที่ดีกล่าวคือเมื่อเราจะสอนใครเราจะต้องพยายามสืบประวัติของคนคนนั้นให้รู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือการระลึกชาติแล้วเราจะต้องรู้อีกว่าในปัจจุบันนี้เขากําลังทําอะไรอยู่และจะต้องศึกษาให้ละเอียดว่าสิ่งที่เราสอนให้แก่เขานั้น จะมีผลอย่างไรบ้างในอนาคตเช่นเมื่อจะสอนให้ใครมีการเสียสละตัวเราเองจะต้องทราบ พ, พื้นจิตใจของพวกนี้สักก่อนว่าเป็นมาอย่างไรและตนเองจะต้องแน่ใจว่าผลแห่งการเสียสละจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆสามารถยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลได้อย่าสอนในทํานองอ้างนิยายหรือนิทาน โดยไม่มีข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหากจะต้องอ้างถึงนิทานชาดกหรือเรื่องราวในอดีตในทำนองเป็นนิทานนั้นจะต้องรู้จักถอดความออกมาให้เห็นข้อเท็จจริงที่คนในปัจจุบันมองเห็นได้ว่ามีความเป็นจริงอันนี้สําคัญมากการสอนในลักษณะที่อ้างถึงวิมานในสวรรค์ชั้นฟ้าโดยที่ตัวเองก็พิสูจน์ไม่ได้ หรือตัวเองก็ไม่มีความแน่ใจว่าจะมีผลอย่างนั้นจริงการสอนในลักษณะอย่างนี้ต้องละเว้นอย่างเด็ดขาดขอให้นึกถึงตัวอย่างอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นอนาคตอย่างแจ่มแจ้งจริงๆเป็นการรู้แจ้งด้วยพระองค์เองไม่ใช่รับฟังมาจากคนอื่นหรือเชื่อตามคนอื่น การเทศถึงอ น, นิสงฆ์ของการบริจาคทานการถือศีลและการทำบุญอื่นๆเท่าที่ปรากฏอย่างแพร่หลายตามวัดทั่วๆไปนั้นมิได้เป็นไปตามหลักการสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้คนส่วนมากจึงเบื่อฟังเทศ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 หรือพูดอีกในย่าหนึ่งพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าตัวเราประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหคือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรู้แจ้งถึงเรื่องสังขตาธาตุและอสังขตาธาตุทั้งหมดจากคําอธิบายในคำภีร์ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างสั้นที่สุด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 ส่วนที่เหลือของร่างเมื่อเผาศพแล้วทศพลยานยานที่หน้านาธาทิมุติกยานปรีชากำหนดรู้อธิมุติคืออธิยาสัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกัน ยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงอัธยาศัยของคนทั้งหลายตลอดทั้งของสัตว์เดรัชฉานทั้งหลายด้วยเช่นเมื่อต้องการที่จะทรงทราบว่าคนคนนี้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางไหนในทางเลวหรือในทางดีพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทราบได้โดยไม่ยากเพราะพระพุทธเจ้าสําเร็จเจโตภริยาญาณ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 เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าหมายเหตุผู้อ่านส่วนตัวแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนที่ทำได้จริงทั้งพราและคาราวะนะครับซึ่งขณะคุยกันแม้ทางโทรศัพท์ก็สามารถรู้ได้ว่าเรากำลังคิดอะไรและแม้แต่คุยกันในอินเทอร์เน็ตสามารถทำนายย้อนหลังได้ด้วยว่า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 ชสพ ล, ลยานยานที่หกอินทริยาปรโรปริยัตตยานปริชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่าคนคนนั้นมีอินทรีย์ทั้งห้าเป็นอย่างไรอินทรีย์ห้าก็คือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขอให้สังเกตว่าโดยธรรมดาเมื่อเราจะสอนใครเราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงพื้นฐานแห่งความเชื่อความเพียรสติสมาธิและปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมคำว่าความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์หมายความว่า บางคนมีศรัทธาน้อยไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมหรือในธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์อ่อนแต่ถ้าหากคนไหนพืชอัตยาัยที่มีมาตั้งแต่เดิมเป็นคนมีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นว่าเชื่อในเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งเชื่อในอนิสงค์ของการบริจาคทานการถือศีลอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งถ้าหาความเชื่ออันนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและมั่นคงก็เรียกว่ามีอินทรีย์ยิ่งซึ่งฟังดูออกจะเป็นภาษาที่ขัดหูนิดหน่อยแต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าอันนี้เป็นสำนวนเก่าที่พยายามแปลให้ตรงกับรูปศัพท์ในภาษาบาลีเมื่อเข้าใจเนเรื่องศรัท ธ, ธาย่อนและยิ่งเป็นอย่างไรสำหรับข้ออื่นก็ขอให้พิจารณาดูตามแนวนี้ ข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่านักสอนศาสนานักพูดธรรมะก่อนที่จะอธิบายธรรมะให้ใครฟังมักจะไม่ค่อยซักถามประวัติของผู้ที่จะสอนหรือถึงแม้จะซักถามก็เป็นการซักถามถึงเรื่องความเป็นไปในด้านอื่นไม่ซักไปในทางที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามาแค่ไหน ซึ่งถ้าหากจะได้พยายามเรียนรู้ถึงพื้นฐานนี้ซะก่อนการสอนก็จะได้ผลมากทีเดียวการเทศบนธรร ม, มารก็ดีการแสดงปาฐกถาธรรมก็ดีซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะผู้เทศหรือผู้พูดไม่พยายามที่จะยังรู้ถึงอินทรีย์ทั้งห้าของเขาซะก่อนสักแต่ว่าเมื่อตอนเองตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรก็มาจะนึกถึงแต่ในแง่ของตัวเองที่จะพูด ไม่ค่อยคำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องอินทรีย์ของผู้ฟังจากหลักในข้อนี้ท่านก็จะเห็นถึงหลักในการสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีว่าทัานสมัยและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาแห่งการสอนมานานแล้วตามประวัติของพระพุทธเจ้าจะมีปรากฏอยู่ตอนหนึ่งกล่าวคือในเวลารุ่งอรุณก่อนสว่าง พระพุทธเจ้าจะต้องทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสาตว์โลกถ้าหากผู้ใดอยู่ในขายที่จะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในห้วงนึกของพระองค์รั้นแลพระองค์ก็จะตรวจดูอุปนิสัยเสียก่อนแลจึงจะกำหนดวิธีการสอนว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรคำว่าตรวจดูอุปนิสัยในที่นี้หมายถึง การตรวจดูอินทรีย์ทั้งห้านั่นเองคุณธรรมทั้งห้าอย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ก็เพราะคุณธรรมแต่ละอย่างต่างก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตนเช่นเดียวกับตาเป็นใหญ่ในการเห็นเมื่อพูดถึงการดูแล้วตาเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดจะเอาสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้น ตาจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งคําบาลีเรียกว่าจากขุนศีหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการรู้สึกกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้สึกรสกายเป็นใหญ่ในการรู้สึกสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการนึกคิดหรือในการรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นอายตนะเหล่านี้แต่ละอย่าง จึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ดังที่ได้กล่าวมาคำว่าอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่หมายเหตุไม่พึงสับสนระหว่างอินทรีย์ที่เป็นอายตนะคืออินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนอินทรีย์ห้าในที่นี้เป็นคุณธรรมห้าอย่างคือศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับอันหนึ่งอินทรีย์ทั้งห้านี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพละห้าพละแปลว่ากำลังในที่นี้หมายความว่าคนที่มีกำลังใจสูงก็คือคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาสูง และในเมื่อกําลังเหล่านี้สูงก็สามารถที่จะช่วยให้คนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทศพลยานยานที่เจ็ดนานาที่สังกิเลสาที่ยานปริชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรม มีชาญเป็นต้นยานข้อนี้อาจจะฟังยากสำหรับคนที่มีคุ้นเคยกับสำนวนบาลีและคำแปลที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นคำแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิะยานนวโรรถซึ่งเป็นนักปราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเป็นนักปกครองคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชและนักการศึกษา ที่ได้ทําการปฏิวัติการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าสมัยใดๆที่ผ่านมาด้วยความเคารพจึงได้รักษาคําแปลของพระองค์ไว้แต่เพราะเหตุที่คําแปลนี้เป็นสํานวนโบราณเข้าใจยากสําหรับคนในสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าจึงขอแปลสึ่งใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้ว่าปรีชากําหนดรู้ในเรื่องคุณธรรมต่างๆว่าจะเสื่อมหรือจเจริญเป็นเพราะเหตุไร เช่นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าฌานจะเสื่อมและจะเจริญอาศัยเหตุไรอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องฌานเท่านั้นแต่ทรงทราบถึงคุณธรรมทุกอย่างเช่นพระองค์ทรงทราบเป็นอย่างดีว่าคนที่จะมีฮิริโอตต ป, ปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานอะไรบ้างและบางคนฮิริโอตต ป, ปะเสื่อมลงเป็นเพราะอะไรก็ทรงทราบ การที่จะบรรลุมรรคผลจะต้องอาศัยพื้นฐานอะไรบ้างและการที่บางคนไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เป็นเพราะอะไรก็ทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งกล่าวโดยสรุปก็คือคุณธรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะเจริญหรือจะเสื่อมเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธองค์ทรงทราบโดยตลอดขอให้ท่านโปรดสังเกตว่าโดยธรรมดาหมอที่เก่ง จะต้องรู้จักสมุดฐานของโรคอาการของโรคและวิธีรักษาอย่างละเอียดและเมื่อหมอมีความสามารถอย่างนี้ก็ย่อมจะบอกได้ว่าโรคนี้จะรักษาได้หรือไม่ได้จะใช้เวลานานหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเหมือนหมอที่เก่งที่สุดแต่เป็นหมอที่บำบัดโรคทางจิตซึ่งโรคที่ว่านี้ก็คือกิเลสหรือความชั่วต่างๆอันมีอยู่ในสันดานของมนุษย์เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าในเมื่อพระองค์ทรงตั้งพระไทยที่จะสอนใครจึงไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ไม่ได้ผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ทศพลยานยานที่8ปบุพเพนิวาสานุสติยานปริชากำหนดระลึกชาติหนหลังได้ ยานข้อนี้หมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงต้องการจะทราบเรื่องอดีตของใครซึ่งจะเป็นอดีตในชาตินี้หรืออดีตในชาติก่อนกี่ร้อยกี่พันชาติมาแล้วก็ตามพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะระลึกได้ทั้งสิน้นและคําว่าระลึกได้ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่าระลึกถึงได้แต่เรื่องราวในอดีตโดยมองไม่เห็นภาพหรือนึกวาดภาพเอาเองในใจว่า คงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภาพที่ปรากฏนั้นไม่ชัดเป็นแต่เพียงภาพในความรู้สึกเหมือนกับคนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถจะย้อนหลังถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตในสมัยนั้นสมัยนี้ว่าเป็นอย่างไรขอได้โปรดเข้าใจว่าการระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับเราไปถ่ายภาพเหตุการณ์ในอดีตด้วยฟิล์มภาพยนตร์แล้วนำเอามาฉายดู ซึ่งเราจะเห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนข้อนี้ฉันใดการระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงเห็นภาพชัดเจนด้วยเช่นเมื่อต้องการจะรู้ว่าคนคนนี้เมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาบ้างหรือเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือจะเป็นเวลาไหนก็ตามไปทำอะไรมาบ้างเมื่อเข้าสมาธิแล้ว ก็จะทรงมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพร้อมทั้งรูปร่างของบุคคลและสถานที่หรืออีกนยะหนึ่งการระลึกได้เช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่มีสมาธิดีถึงขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งเมื่อต้องการจะเห็นภาพอะไรภาพนั้นจะปรากฏชัดแต่ต้องเป็นภาพที่เคยเห็นและจำได้แม่นยำจึงจะปรากฏให้เห็นได้ชัด ส่วนการระลึกถึงความเป็นไปในอดีตของคนอื่นนั้นแม้พระพุทธองค์จะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นผู้นั้นมาก่อนแต่ก็สามารถจะเห็นได้เพราะว่าเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่คนคนนั้นเคยผ่านมาได้บันทึกอยู่ในความทรงจำของจิตใจส่วนลึกซึ่งเจ้าของเองอาจจะไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำว่าได้เคยพบเห็นอะไรมาบ้างแต่อย่างไรก็ดี ทฤษฎีเกี่ยวกับการระลึกชาติได้มีรายละเอียดมากมายในที่นี้ขออธิบายไว้แต่เพียงสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถระลึกชาติได้จริงๆคือระลึกได้ทั้งของพระองค์เองและของคนอื่นด้วยและเพื่อต้องการที่จะให้ได้ทราบถึงทฤษฎีตามหลักในพระไตรปิฎกว่ามีอยู่อย่างไร ข้าพเจ้าจึงขอคัดจากข้อความตอนหนึ่งในสามัญญพลสูตรอิคานิกายศิลขันธวั์พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมของภิกษุให้พระเจ้าอาชาตสตรูฟังดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงาน ตังมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเมื่อโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุกเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้างสาชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวตต ก, กับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตต ก, กับวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวัยสุขสวัยทุกข์อย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนิดดูก่อนมหาบุพพิตรเปรียบเหมือนบุรุษเมื่อออกจากบ้านตนไปบ้านอื่นและจากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโนนแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยื ushima, น saber, อย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เมื่อโน้มน้อมจิตใจเพื่อบุกเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนนี้ ข้อความที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภิกษุที่ปฏิบัติในทางสมาธิจนกระทั่งได้ถึงขั้นจตุทาาัฏฐานคือฌานที่สี่ซึ่งเมื่อได้ฌานขั้นนี้จิตก็จะบริสุทธ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวครั้นแล้วเมื่อตั้งใจที่จะระลึกถึงชาติไหนในอดีตก็สามารถที่จะระลึกชาตินั้นได้ส่วนหลักฐานในพระไตรปิฎกที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าก็ทรงทำได้อย่างเดียวกันมีอยู่หลายแห่งเช่นในมหาสีหนาทสูตรมีข้อความว่าดูก่อนสาวรีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างและจนถึงตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวไวสุขสวไวทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำ you like หนดอายุเพียงเท่านั้นครั are, ้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้แม้ใ <si nh thank you> นภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวไวสุขสวไทุกข์อย่างนั้น จุดติจากพบนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีข้อความในพระสูตรตามที่อ้างมาทั้งสองแห่งนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นมีกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงสามารถระลึกชาติของคนอื่นได้ซึ่งความจริงหลักฐานในเรื่องนี้ ถ้าหากจะนำมาอ้างแล้วก็มีอีกมากมายแต่เห็นว่าไม่จำเป็นทราบเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงสามารถระลึกชาติได้และการระลึกชาติได้นั้นได้ช่วยให้พระองค์ทราบถึงเบื้องหลังของบุคคลที่จะสอนได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ตรงกับหลักจิตวิทยาแห่งการสอนในปัจจุบันเมื่อเราจะสอนใคร ถ้าเราทราบถึงพื้นฐานความเป็นมายิ่งละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะทําให้การสอนได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นเป็นแต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาเหมือนกับครูในปัจจุบันและข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการแบบพระพุทธเจ้านี้น่าจะมีการส่งเสริมเพราะอย่างน้อยถ้าเราฝึกสมาธิให้กับเด็กก็จะทาให้เด็กมีความจามดีขึ้น และอีกในาย่าหนึ่งถ้าหากเรามันนั่งสมาธิทาใจให้สงบและสํารวจถึงความประพฤติหรือความเป็นมาของเราในอดีตอยู่เสมอก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นและความก้าวหน้าของเราก็จะเป็นไปอย่างมั่นคงเพราะบทเรียนในอดีตนั้นจะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะก้าวหน้าไปได้เรื่อย หรือเราควรจะแก้ปัญหานั้นๆอย่างไรจึงจะเป็นผลสำเร็จทศพลยานยานที่9จุตูปปตาตยานปรีชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรม ยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องการตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งเพราะเป็นการรู้ด้วยทิพยจักสุขขอให้สังเกตข้อความในมหาสีหนาธสูตรซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนสาวรีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุ ต, ติกาลังอุบติ เลวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักรสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ซึ่งเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายไปเขายอมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยาเจ้าเป็นสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขายอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ดูก่อนสาวรีบุตรข้อที่ตถาคต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 ข้าพเจ้าได้เคยเขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงและเรื่องสู่แสงสว่างในที่นี้อธิบายให้ฟังโดยสังเขปเท่านั้นหมายเหตุทั้งสองเรื่องนั้นจุมรงพลดีได้จัดทำเป็นเสียงอานไว้แล้วนะครับและในเรื่องสภาพของร่างกายของโอปปาติกะหลังตายในที่นี้ท่านกล่าวไว้คร่าวๆเท่านั้นยังมีรายละเอียดอีกมากที่แตกต่างกันไป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 สพลยานยานที่สิบอาสวะขยายานปรีชารู้จักทาอาสวะให้หมดสิ้นไปยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์และธรรมะอื่นอื่นอีกจนสามารถทาให้อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานหมดสิ้นไปดังที่พระองค์ได้ตรัสไว ในมหาสีหนาฏสูตรว่าดูก่อนสาวรีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนสาวรีบุตรข้อที่ตถาคตกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะอสาาวาทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาในบริษัทยังพรมมจักให้เป็นไปคำว่ากระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์หมายความว่าพระองค์ได้สาเร็จฌานขั้นสูงสุด คือได้สมาบัติทั้ง8ซึ่งทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส ช, ชั่วระยะหนึ่งคือตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธิกิเลสจะสงบซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งธรรมต่างๆตามความเป็นจริงคำว่าเจโตวิมุตต์แปลว่าการหลุดพ้นด้วยอนันาจใจคำว่าเจโตที่แปลว่าใจ ในที่นี้หมายถึงสมาธิหมายถึงฌานคำว่าปัญญาวิมุตตแปล ว, ว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยปกติกิเลสในสันดานสามารถทำให้สงบได้ด้วยอำนาจของสมาธิแต่การสงบแบบนี้กิเลสไม่ได้หมดไปจากสันดานเพียงแต่ในจิตสำนึกคือในความรู้สึกนึกคิด ที่เรารู้สึกตัวอยู่นี้ไม่มีกิเลสแต่ในสันดานคือในจิตไร้สํานึกกิเลสยังคงมีอยู่ถ้าออกจากสมาธิเมื่อไหรถ้าไม่คอยควบคุมระวังเอาไว้ให้ดีเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่แมยั่วกิเลสกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนตะกอนนอนก้นขวดน้ําในขวดข้างบนใสแต่ข้างล่างยังขุ่นอยู่ ถ้ามีอะไรมาทำให้น้ำกระเพื่อมตะกรอนที่นอนก้นขวดก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกฉะนั้นการหลุดพ้นจากกิเลส ด, ด้วยอำนาจของสมาธิจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวแต่ถ้าหากในขณะที่จิตกำลังสงบบริสุทธิ์อยู่เพราะจิตยังอยู่ในสมาธินั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆเช่นพิจารณาเรื่องอริยสัจ เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์ก็จะทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายและในเมื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดแล้วกิเลสในสันดานซึ่งเปรียบเหมือนกับตะกรนอนก้นขวดนั้นก็จะถูกกำจัดหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเหมือนอย่างที่ในบทสวดมนเรื่องพุทธคุณที่เราสวดกันว่าองค์ใดพระสามพุทธส่วิสุทธสันดาน ซึ่งหมายความว่าพระองค์มีสันดานบริสุทธิ์ทั้งนี้ก็เพราะอาสวะสามอย่างกล่าวคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะหมดสิ้นไปคําว่ากามาสวะก็ได้แก่กามตัิหาภวาสวะก็ได้แก่ภวะตันหาอาวิชชาสวะก็คืออวิชชาแปด ข้อที่ควรสังเกตในเรื่องนี้ก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนทั้งหลายละกิเลสได้เป็นผลสาเร็จนั้นก็เพราะพระองค์ทรงละได้มาก่อนแล้วซึ่งเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดด้วยแต่อันที่จริงการละกิเลสก็มีหลายอย่างถ้าละได้ชั่วคราวก็เรียกว่าตัดทังควิมุตถ้าละด้วยอำนาจของสมาธิเรียกว่าวขิขพนวิมุต ทะละได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเฉทวิมุตต์หรือสมุดเฉทวิมุตต์ซึ่งการละในขั้นนี้หมายถึงละด้วยอริยมรรคและคําว่าอาริยมรรคในที่นี้ก็หมายถึงมรรคมีองค์8ดที่สมบูรณ์หมดทุกข้อแล้วรวมกาลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำการประหารกิเลสในสันดานได้หมดสิน้น และต่อจากนี้ในใจก็จะมีแต่ความสงบอันปราณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระเป็นความสงบที่คงที่ไม่มีเสื่อมและเมื่อเข้าถึงความสงบในขั้นนี้แล้วกิเลสจะเกิดอีกไม่ได้ความสงบในขั้นนี้เรียกว่าอาริยผลการหลุดพ้นโดยอาศัยอริยผลคือผลที่เกิดจากการที่อริยมรรค ตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดนี้เรียกว่าปฏิปสติวิมุตติและการละอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการละด้วยการเข้าถึงนิพพานคือเข้าถึงความว่างหรือเข้าถึงความดับสนิทเรียกว่านิสรณาวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นด้วยการออกไป จากนารูปพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนให้คนทั้งหลายละจากกิเลสได้เป็นขั้นๆดังที่กล่าวมาและการที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลสาเร็จทางนี้ก็เพราะพระองค์ทรงสอนจา ก, จากประสบการณ์ของพระองค์เองไม่ได้สอนจากตำราหรือจากคำบอกเล่าของคนอื่นพระองค์ทรงละกิเลสได้หมดไม่มีเหลือทำไมจึงละได้ การละจะต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างไรบ้างจะต้องอาศัยรรมะอะไรบ้างพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์ก็ทรงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้พระองค์จะสอนให้เขาละกิเลสได้สักขนาดไหนจะได้ละชั่วคราวหรือละได้เด็ดขาดและจะทรงสอนอย่างไรเขาจึงจะละได้และใครแม้จะสอนอย่างนี้ แต่ก็ลากิเลสไม่ได้เรื่องราวต่างๆในลักษณะ น, นี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตั้งพระไยว่าจะสอนใครจึงไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่ได้ผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ทีนี้เราลองมาพิจารณาดูวิธีการสอนศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่า ทำไมการสอนจึงไม่ค่อยได้ผลเช่นเมื่อต้องการจะสอนให้คนอื่นละความโกรธแต่ถ้าผู้สอนยังละไม่ได้หรือในเมื่อจะสอนคนอื่นให้ละราคะตัณหาแต่ผู้สอนยังละไม่ได้หรือจะสอนให้คนอื่นเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดเชื่อในเรื่องกฎของกรรมแต่ผู้สอนก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจในเรื่องเหล่านี้การสอนแบบนี้ย่อมจะไม่ค่อยได้ผลอย่างแน่นอนเพราะเป็นการสอนที่ผิดหลัก การสอนที่ถูกต้องนั้นเมื่อเราจะสอนให้เขาทำอะไรเราจะต้องทำสิ่งนั้นได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะสอนแต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกว่าถ้าหากเราจะรอให้ผู้ที่สอนศาสนาละกิเลสได้หมดเสียก่อนแล้วจึงค่อยสอนคนอื่นนั้นก็เห็นทีว่าการเผยแพร่ศาสนาดังที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ต้องเลิกกันเกือบทั้งหมด และถ้าหากว่าจะต้องเลิกกันจริงๆผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชนส่วนใหญ่จะมีมากมายยิ่งนักเพราะคนในโลกซึ่งปกติก็อยู่ในความมืดอยู่แล้วในเมื่อไม่มีการสอนศาสนาก็ยิ่งกลับจะมืดหนักขึ้นไปอีกเป็นนั้นว่ายานข้อที่สิบนี้เราจะนำเอามาเป็นหลักในการสอนศาสนาอย่างทุกวันนี้ไม่ได้อย่างนั้นหรือ เราจะหาผู้ที่ปฏิบัติตามหลักข้อนี้ไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วยานข้อที่สิบนี่แหละซึ่งถ้าหากเรารู้จักนำมาใช้เป็นหลักในการสอนแล้วนักสอนศาสนาทั้งที่ยังมีกิเลสก็สามารถที่จะสอนได้ผลถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีดังต่อไปนี้กล่าวคือถ้าเราต้องการจะสอนคนอื่นให้เลิกจากการดื่มเหล้า ถ้าเรายังดื่มอยู่ก็อย่าไปสอนแต่คนที่ไม่ดื่มเหล้านั้นมีอยู่เราก็ไปขอให้คนที่เขาไม่ดื่มเป็นผู้สอนยิ่งถ้าหากคนที่จะสอนนี้เมื่อก่อนเป็นนักดื่มมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เลิกได้อย่างเด็ดขาดการสอนก็จะได้ผลดีเพราะเขามีประสบการณ์มาด้วยตนเองการสอนจะทำได้ตรงกับข้อเท็จจริงไม่เดาหรือคาดคะเนเอา เหมือนอย่างที่นักสอนศาสนาส่วนมากมักจะเป็นกันแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนสอนที่ว่านี้ไม่มีความรู้ทางศาสนาไม่มีความรู้ในด้านอื่นๆไม่มีหลักวิชาในการสอนถึงแม้ตัวเองจะมีประสบการ์มาแล้วก็ตามก็จะสอนคนอื่นให้เลิกเล่าได้ก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขอให้สังเกตว่าพระสงฆ์แม้จะเพิ่งบวชก็อาจจะเทศให้ญาติโยมทั้งหลายฟังได้ โดยที่คนเหล่านี้จะตั้งใจฟังทั้งนี้ก็เพราะในขณะนั้นท่านได้เลิกละความชั่วหรือความไม่ดีต่างๆได้หมดแล้วทั้งที่ละได้ชั่วคราวและละได้บางอย่างเท่านั้นคาระวะดูทั่วไปก็เต็มใจที่จะฟังเทศและถ้าเป็นพระที่บวชมานานแล้วจิตใจเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วและเป็นผู้ที่มีความรู้ปราดเปรือง พระประเภทนี้จะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนทุกชั้นท่านสามารถจะสอนคนได้ทุกชั้นคนทั้งหลายจะเชื่อฟังท่านทางนี้ก็เพราะเป็นไปตามหลักที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้หมดแล้วจึงทรงสอนคนอื่นให้ละแต่ยังไรก็ดีเพราะเหตุที่ผู้สอนละไม่ได้จริงๆเพียงแต่กิเลสสงบซึ่งจะเห็นได้ว่าพอศึกออกมาแล้ว คีเลศที่เคยสงบอยู่นั้นก็กลับลุกโพลงขึ้นมาอีกฉะ น, นั้นการสอนจึงยังไม่ได้ผลเท่าไรนักคารวะทั้งหลายยอมรับฟังและเชื่อด้วยความเคารพเลื่อมใสจริงแต่ก็ยังไม่อาจจะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติให้ได้ผลเหมือนที่พระท่านสอนเช่นเราจะเห็นได้ว่าเวลาพระให้ศีลก็มีครวะรับศีลกันมากมาย แต่ครั้นแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้ธรรมะในด้านอื่นๆก็เหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างเพียงพอข้าพเจ้าเคยคิดว่าพระเทราผู้ใหญ่หรือพระที่เป็นนักสอนศาสนาอย่างเก่งนั้นถ้าหากได้ลองศึกมาเป็นครวาดคลุกคลีอยู่กับกิเลสสักพักหนึ่งปล่อยตัวไปตามกระแสะโลกเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้น และจะรู้ด้วยว่าวิธีการสอนอย่างที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำไมจึงไม่ค่อยได้ผลในการจูงใจให้คนเข้าวัดหรือจูงใจให้คนละชั่วประพฤติดีพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกในสมัยรลังพุทธกาลหรือในสมัยต่อมาก็ดีที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาได้ผลอย่างมากมายนั้นอย่าลืมว่า นอกจากท่านจะเป็นผู้ที่ทําได้จริงตามที่สอนแล้วท่านยังมีประสบการณ์ในทางโลกมาอย่างดีด้วยอะไรไม่ควรสอนสอนอย่างไรจึงจะได้ผลสิ่งเหล่านี้ท่านรู้แจำแจ้งแต่เมื่อพิจารณาดูรากฐานของผู้ที่ทําการสอนในปัจจุบันเราจะเห็นว่าผิดกนไกลมากกับรากฐานของผู้ที่ทําการสอนศาสนาอย่างได้ผลมาแล้วในอดีตข้าพเจ้าคิดว่า ในปัจจุบันนี้การสอนที่จะให้ได้ผลจริงๆควรจะถือหลักดังต่อไปนี้อะไรที่ไม่รู้จริงและทำไม่ได้อย่าสอนให้คนที่รู้จริงและทำได้จริงเป็นผู้สอนและในกรณีอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งจุดหมายให้สูงเกินไปก่อนที่จะสอนอะไรให้กับใคร ควรจะวางจุดหมายไว้สก่อนว่าจะเอาผลแค่ไหนซึ่งในเมื่อกำหนดผลเอาไว้แน่นอนแล้วเชื่อว่าผู้ที่สามารถจะสอนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้นๆจะหาได้โดยไม่ยากทั้งที่เป็นพระและคารวาดทุกวันนี้ที่การสอนศาสนาไม่ค่อยได้ผลก็เพราะไม่ได้กำหนดไว้ให้ชัดจะไปมุ่งแต่จะสอนให้มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนให้ได้ผลด้วย ช่นเมื่อจะสอนให้คนละความโลภความโกรธความริษยาหรือความชั่วใดๆก็ตามต้องกำหนดให้ชัดว่าจะเอาผลเพียงแค่ไหนและจะต้องสอนให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้แล้วเมื่อสอนแล้วจะต้องติดตามดูผลด้วยจะต้องรับผิดชอบในงานที่ทำไม่ใช่สักแต่ว่าเมื่อมีคนสนใจมาฟังกันมากมายมีคนเคารพกราบไหว้ได้ลาบสการะ ก็ถือว่าการสอนในครั้งนั้นได้ผลแล้วอย่างนี้ยังไม่ถือว่าได้ผลการได้ผลหมายความว่าเมื่อได้กาหนดว่าจะให้คนคนนี้หายจากความโลภหรือความโกรธอย่างนั้นๆเมื่อเขาหายจริงตามที่กาหนดไว้อย่างนี้จะถือว่าได้ผลอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามยิ่งนั้น ก็เพราะพระองค์ทรงสอนในสิ่งที่พระองค์ทรงทาได้และคำว่าประสบความสำเร็จก็คือทำให้คนที่พระองค์สอนนั้นละกิเลสได้จริงๆพ้นจากความทุกข์ได้จริงคำโปรยท้ายบท ถึงแม้ข้าพเจ้าจะรู้อยู่ว่าคนส่วนมากไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะทำงานนี้ด้วยใจที่เป็นกุศลเพราะเขาเห็นว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ดําเนินงานและเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคารวะและคนทั้งหลายก็ทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีฐานะอะไรเลยยากจนมีแต่ตัวใครจะเข้าใจอย่างไรก็สุดแล้วแต่เพราะถึงหากว่าจะมีใครคิดว่าข้าพเจ้าสร้างงานนี้ เพื่อเป็นการทำมาหากินข้าพเจ้าก็ยอมรับเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่หากินโดยวิธีนี้ก็ไม่ทราบว่าจะไปหากินโดยวิธีไหนจึงจะทําให้การหากินของข้าพเจ้าได้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้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 พลพรอภิวัฒน์เสวีประพลหรืหันชโนโมครอบครัวศิราภาสกุลครอบครัวงามสุริยพงศ์ปฏิตาเชื้อทองวิชาญมนทาทิบกุลมงคลรังเกียรแก้วเปรมฤดีมีแสงนินพิญยดาร่มโพผดุงแสงทองอัจฉราโสภาสุการดาเคสุโพไพโรดคอนเอมและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยย่งขึ้นไปนะครับ